วันนี้เราก็จะเริ่มกับที่เด็กๆ ก, ก่อนให้เด็กๆ เ, เขาได้ไปนอนได้ไม่เดืดเกินไปหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจวันนี้ไปที่คุณนักคุณเหมือนเดิมน้องนักคุณอยู่ญี่ปุ่นโตเกียวกระพาะอาจารย์เจ้าค่ะน้องคุณสวัสดีครับอาจารย์ ไหนสันกันว่ายังไงนะุวันนี้ไม่มีคาถามค่ะพรอาจารย์โอเคมากระปากนะอ่าโอเคเงี้ไปที่จามัดกับแจที่ทองพี่น้องกร <c oughs> ะนองการพรอาจารย์ครับเป็ยังไงวันนี้มาส่งกัน <c oughs> ว่างก็เ่เออทำอะไ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 มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยเราทากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นพายาตคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสึดไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดเชื่อกกแทงกรรมไหมเชื่อรับเชื่อนรกเชื่อสวรรค์หรือเปล่าเชื่อข้าอ่า มีจริงนะทำบุญก็ไปสวรรค์นะทำบาปก็ไปนรกแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้าง่ะเรามีผมขนเล็บฟันหนังเมื้อเอกระดูกเยื่กระดูกม้ามหัวใจตับทังผืดไตปอดไส้ใหญ่ชีน้อยอาหาหม่อาหรเก่นเดี้สมองสิสษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อ น้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำเสียข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำเสียข้อน้ำมูกกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหนือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำดีเยื่อในสมองศีสับอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้ร้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจม้ามีในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อนฟันเล็กขน เห็นนุ ย, ย่าลได้ดูภาพเนียมดูแล้วครับเออเป็นยังไงน่าเกียดครับเอ ม, มันจะกมันจะมากัดแราหเปล่าไม่ไม่ครับอันนี้ทําไมกลัวมันทํำไมอ่ะไม่มีอะไรน่ากลัวมันเป็นของจริงนะครันมั้นสองกระจกห น, หน้าตัวเราเนี่ยครับตัวเราเป็นอย่างนี้นะเราจะไปนั่งเกลียดมันได้ยังไงครับ ถนะ้าไปหลงรักมันก็ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่น่ารักอะไรนั่นมันน่ารักไหยมันสวยงามไหมหมายไหมครับอจ่าไม่นะอย่าไปลงรักใครนะเจะ้าอะจะเสียใจภายหลังนะครับครับ อ, อยู่เป็นโซนดีกว่าจะได้บวชไดค้ครับ ค, ครับโอเคครับจะมีอะไรไหย ก็ตอนนี้ก็กลับมานั่งสมาธิเหมือนเดิม น, นะครับแต่อาจจะ ไ, <ห>ไม่<ส>ทุกวันครับทำไมละ่ะการบ้านเยอะครับยเยอะนะนั่งนานไหม <N> นั่งได้ยี่สิบนาทีครับนั่งนิงไหมนิ่งอยู่ครับหยุดคิดหรือเปล่ามีคิดบ้างไม่คิดบ้างครับยังไม่เจอแบบที่มันหยุดคิดเล ย, เลยะนะเราพยายามขยมนันพุทโธพุทโธแล้วนะ ใช้พุทโธเราใช้อะไรใช้ลมหรือใช้พุทโธก็ใช้ลมบ้างพุทโธบ้างครับแสดงว่าไม่รู้ว่าอะไรเลยครับต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราพุทโธเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป เ, เรืยๆอย่าหยถ้าดูลมก็ดูลมไปเรนะื่อยอย่ายไปตรงอย่างหน อ่าต้องอยู่กับน้องไม่อยู่กับพูดโทยายนี่ยานิ่งอันใจนะเข้าใจเข้าใจไปโอเคแม่ไม่ไรบ้างหนูก็พุดโธทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่ตื่นนอนพุดโธตลอดแล้ใจว่างขึ้นไหมเย็นขึ้นไหมมันเหมือนทันความคิดนะคะพระอาจารย์มันว่าเผือไปคิดเราก็รู้ว่าดึงกลับมาพุดโทสู้กันไปสู้กันมาอะไรอย่างนี้ยค่ะ ควบคุมใจได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะเห็นความคิดเห็นความอยากอะไรยเงี้ยะแต่ว่าเราไม่ไปตามมันนะค่ะไม่ทําตามแบบดูเฉยเฉยเดี๋ยวมันก็หายไปค่ะแล้วความโกรธะเหมือนกันด้ปะทั้งโกรธก็ยังมีนะคะก็ยังมีโกรธแต่ว่าไม่ไม่ได้คือเหมือนมันขึ้นมาแล้วก็เราก็ดูเฉยเยเราก็รู้ว่าเราโกรธแล้วก็เดี๋ยวมันก็หายไปไม่ได้ระบายออกไปนะวันจันทร์ไม่ไม่ทำไมไม่ ไม่ไปตีลูกไปตีแพนเลยโอเคพยายามควบคุมความรบกดนลงนะตัวนี้มันเป็นตัวมาทำลายทั้งตัวเราและผู้อื่นโอเคอันนี้ก่อนนะขออนุญาตครับอ <vocal and> <rage> <dated teenage> ่าไปที <t> ่ตะวันจูเนียตะวัน อยู่ฮอลแลนด์กับคุณแม่อ่าไม่ได้ยินเสียงอันนี้เปิดเปิดไม่หรือเปล่าเปิดแล้วเหรอเอ่ออัจะเป็นตอนเข้ามาจะไม่ได้คลิปอะไรหรือเปล่าเสียงไม่เข้ามาเลยลองพูดลองพูดสิครับลองพูดดูด้วย อ่าพูดดังๆเลยไม่มาไม่มาะโยงเขาเไปนอ่อ่ามาแล้วแต่มันเสียงมันค่อยค่อยอ่ามาใกล้ๆหน่อยอ่าลองพูดพูดดังๆัน่อยเสียงมันไม่ค่อยดีเลย อันนี้ไม่ทราบเป็นพวา อ, อะไรใช้เครื่องเหลือาก็อาจจะเป็นสัญญาณมันไม่ค่อยดีมั้งมันได้ยินแบบหัดการหายหายแล้วก็ไม่นำ้ำลองกลับเข้ามาใหม่น ะ, ะ, ะ ไ, ไ, ไ, ไปได้เป็นหมอผิวเช่ต่อเอาเรแลองให้กหมอผิเชิดน้องไม่ไหว เกานมัสการพระอาจารย์ครับเราจะแล้วพอดีเกิดขัดข้องตอนที่ผมกดปุ๊บมันหลุดออกไปเลยครับ<า>เริ่มเป็นเทาใหม่ก็ก็ค <ไป S 2> งอ ย, อยู่ท้ายแถวเลยครับเห็นว่ามีคนเข้าไม่ได้สามคนผมอาจจะ อ, อยู่ในกลุ่มเข้าไม่ได้ไม่ได้หรอกครับก็จะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายเ อ, อวิบากกรรมครับพระอาจารย์ถ้าว่าวิบากก็คือผลออกรรมเป็นเหตุกรรมเพอ วิบากกรรมก็คือผลของกรรมกรรมคือการกระทํากรรม ก, การ ก, การะทําทางกายทางวาจาทางใจมีสามทางทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าชิกกรรมทางใจเรียกว่ามโนกรรมกรรมทั้งสามนี้มีมโนกรรมเป็นผู้เรี้ยงเรื่อเป็นผู้สั่งการถ้ามโนกรรมไม่สัง่ง วิีกรรมกรายกรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นผู้ที่กระทํากรรมจริงๆไม่ใช่กาย ไ, ไม่ใช่วาจาแต่เป็นใจผู้สั่งผู้คิดมโนกรรมก็คือความคิดคิดวันนี้จะมาเข้าสู่นี้แล้วก็สั่งให้ร่างกายไปเปิดเครื่องแล้วพอเข้ามาก็สั่งให้วาจาพูดแต่ผู้ที่กระทํำกรรมที่แท้จริงก็คือใจ โดยใช้ความคิดคิดแล้วก็พูดออกมาอันนี้อยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะฟังเรื่องกรรมนเป็นความคิดก่อนคิดแล้วก็พูดมาทางวาจาก็พอพูดออกมาแล้วก็จะเห็นว่าเป็นกรรมที่จะไม่วิบวิบากตามมาถ้าพูดเรื่องที่ดีก็มีความสุขใจตามมาถ้าพูดเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่เป็นเทน็จนี้ก็จะมีความทุกข์ใจตามมาเช่นเดียวกับการกระทํา ถ้าไปการทําที่ดีก็จะมีความสุขใจถ้ากระทําไม่ดีเช่นไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความสุขใจทุกข์ใจนี่เรียกว่าวิบากกรรมผลของกรรมที่เราทํามันเกิดขึ้นทันทีทันทีที่เราพูดปับ๊บเราทํำปุ๊บเนี่ยอันนี้มันวิบากกรรมมันเกิดขึ้นแล้วในใจเราแต่มันยังไม่หมดเวลาเราตายไปวิบากกรรม คือความสุขความทุกข์ที่เราทำจากกรรมดีกรรมไม่ดีนี้มันยังไม่หมดมันยังสะสมอยู่ในใจและมันก็จะเป็นตัวที่จะมาสร้างให้ใจเราสุขหรือทุกข์ให้เป็นสวรรค์หรือเป็นนรกขึ้นมาสวรรค์นรกไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสถานภาพของใจใจที่มีกรรมดีก็จะสร้างความสุขใจสร้างสวรรค์ขึ้นมาภายในใจ ใจที่ทำแต่บาปแต่กรรมใดก็จะสร้างแต่ทุกข์สร้างแต่นรกสร้างแต่อบายขึ้นมาในใจแล น, นี่คือวิบากรรมเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมีใครมาตัดสินไม่ต้องมีคอยมาจับไปติดคุกติดตารางทำพุ๊บมันก็จะเริ่มส่งผลเบื้องต้นจะส่ความรู้สึกทางใจทำบุญปั๊บกระจายสบายมีความสุขได้สายบายได้ช่วยเหลือใคร จะมีความสุขใจไปรังแกใครไปทําร้ายใครใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วความสุขความทุกข์ที่เราทําจากบุญจากบาสนี้มันจะสะสมอยู่ในใจพอร่างกายไม่มีแล้วมันก็จะโมยมิญญานี้ก็จะไปเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกหรือเป็นอบายตามแต่เหตุคือบุญหรือบาป ท, ที่เราทำหนึ่ไว้อื กันกามุนหรือบาปนี่มันมันไม่มีพลังแล้วมันก็จะทำให้ใจนี้มากลับมาได้ร่างกายอใหม่มาเกิดใหม่เพราะเหตุที่พาให้ร่างกายใจมามีร่างกายก็คือตัณหาความอยากความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่มันยังมีอยู่ในใจมันไม่ได้หมดไปกับวิบา วิบากหมดสวรรค์หมดนรกหมดแต่กิเลสไม่หมดเพราะกิเลสไม่ได้หมดด้วยด้วยการทําบาลด้วยทําบุญมันจะ ม, มันจะหมดด้วยการภาวนาด้วยการทำละสมถภ า, าวนาวิปัสนาภาวนาถึงจะกำจัดความอยากการมรัตฐาภวะฐาห า, า, ว, าวิภวะฐานาได้ถ้าเราสามารถจะเริ่มสมถภ า, าวนาวิปัสนาภาวนาได้เราก็จะตัด ก็ตัณหากามาตัณหาเพราว่าตัณหาวิปวะว่าตัณหาให้หมดไปจากใจพอไม่มีตัณหาลงเลยอยู่ในใจใจเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็จะไม่มีตัวไปผักนานให้ไปเกิดใหม่ไม่มีร่างกายอันใหม่ใจที่ไม่มีตัณหาลงเหลืออยู่ในใจแล้วก็เรียกว่านิพพานไม่ต้องไปเกิดอะไต่อไปก็แต่ยังยังอยู่ยังมีใจใจยังอยู่เหมือนเดิม แต่ใจไม่ต้องมาทุกกับการรับวิบากกรรมของตนที่ยังที่เคยทำไว้ยังมได้ยังตามได้ยังกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่วิบากกรรมที่ยังไม่ได้แสดงผลมันก็ยังจะมาแสดงผลต่อวิบากกรรมในลักษณะเจ้ากรรมนายเวรเวลาเราเกิดเป็นมนุษย์บางทีเราก็เจอคนที่เขาเกลียดชังเราเขาอยากจะมาทําร้ายเราออันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะชาติตอนเราเคยไปทำร้ายเขามาก่อน ในทางตรงนันข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บางทีก็เจอคนที่เขายินดีรักเราชอบเรามาสนับสนุนเราอะไรอันนี้ก็แสดงว่าเราเคยไปทําความดีให้กับเขามาก่อนในชาติก่นอนเขาเห็นเราเขาก็เขาก็ เ, า เ, าเกิดความรู้สึกอยากจะทําดีกับเราอันนี้ยังไม่หมดอถึงแม้จะสวรรค์นรกจะอาจจะหมดแล้วการมาเกิดเป็นมนุษย์อำวิบากที่เป็นเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนี้ ที่ว่าผลบุญผลบาปนี้มันยังมีต่อตชีวิตเราในบางทีเราก็ไปเจอสิ่งที่ดีโดยที่เราไม่ได้ไปสหวัลยามันมาของมันเองก็เลย่า่อมหล่นเนีคยแล้วเป็นผลบุญที่เวลาบางทีก็ไปเจอตกอับไปเจอปัญหาไปเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายจากคนจากมันอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นวิบากกรรมเก่าของเราที่ราทนานเวรอย่างตามมา เอาเรื่องอยู่แต่ถ้าเราไม่มาเกิดแล้ววิบากกรรมันนี้ก็จะไม่มีผลอีกต่อไปเพราะมันต้องมีร่างกายเป็นผู้มารับวิบากแต่ถ้ายังมีร่างกายอยู่ถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังต้องรับวิบากอยู่แต่พระพุทธเจ้าก็มีพระเทวทัตเป็นคู่คู่เวรคู่กรรมกันจองเวรจองกรรมนมา ก็ยังพยายามที่จะมาฆ่าพระตจ้าอยู่ถึงสามครั้ง น, นะอโมกลานะก็ถูกเจ้ากรรมไรเวนฆ่าตายไปถึงแม้เป็นท่าหลานก็หนีไม่พ้นถ้ายังมีร่างกายแต่พอไม่กลับมมีร่างกายแล้วทีนี้เจ้ากรรมไรเวนจะมีมากมีน้อยก็ไม่สามารถที่จะมาทําอะไรได้นะเพราะใจไม่มีไม่เลยมาเชื่อมกับร่างกายอีกต่อไปใจอยู่ที่ใจเป็นนิพพานไปแล้ว ใจก็อยู่แบบสุขบรมมาสุขไปตลอดไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุกกับการทา่ทาท่าอย่างกันไม่ต้องมาทุกกับการที่ต้องมาเจอคู่อะไรเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ชอบไม่ถูกไม่ขวรไม่ต้องการ น, น, นี่คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติจิตตภาวนาศีล ส, สมาธิสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาหรือสมาธิและปัญญา ส่วนการทำบุญทำบาปนี่ยังพาให้ใจไปรับผลบุญผลบาปในสวรรค์ในโนรกอยู่ น, นพะพอผลบุญผลบาปหมดกำลังลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปพอยังมีความอยากที่จะมนเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นต้องมีร่างกายมีตาหูจมูกนิ้นกายแต่พอตัดความอยากเหล่านี้หมดไปด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาได้ไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่แล้วเวลาร่างกายนี้ตายไป ใจนี้ก็ไม่ไปหาร่างกายไม่ไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปเพราะไปอยู่ที่นิพพานแทนเป็นเป็นผลที่เกิดจากการภาวนาคำว่าวิบากก็คือผลของกรรมกรรมก็คือเหตุการกระทาทำกายทางวาจาและทางใจแล้วก็ทำได้สามทางทา ทำบาปทำบุญแล้วทำบาปไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญหรือทำทำแบบไม่ให้กลับมาเกิดก็ทำแบบภาวนาทำแบบชำนาจิตใจให้สะอาดบดยสุดอันนี้เราก็ไม่เรียกว่ากรรมเราก็เรียกว่าเป็นการชำนาใจให้สะอาดอาจจะเป็นกรรมอยา่างหนึ่งแต่เป็นกรรมกรรมที่ไม่เกี่ยวใครกรรมที่มาเกี่ยวกับใจของตนเองมาซักพอกใจของตนไะด้ให้สะอาด ใจรู้เราทุกคนนี้ยังไม่สะาดยังไม่สิ้นกิเลสถ้าสิ้นกิเลสแล้วมันจะไม่เว่ยความทุกความโกรธความหลงไม่มีเหลืออยู่ในใจแล้วไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปใครจะชอมใครจะดาใครจะอะไรก็ไม่เดือดร้อนใครจะเป็นใครจะตายก็ไม่เดือดร้อนนางกายของตราเองจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> อันนี้เกิดจากการชําระใจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาผมจะเข้าใจอะไอยังคุณบอกครับเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์กลัขบขอบคุณอย่างสูงครับอืขอบคุณที่คําถามมีคําถามเข้ามาถามทําให้คนเด็กจะได้ได้ยินได้ประทับธรรมเพราะหลายคั้งบทีก็คิดไม่ออกควรจะพูดอะไรวันแต่ละครั้งจะแสดงธรรมนี่บางทีไม่รู้จะพูดอะไร บางทีก็เงาแต่ถ้ามีใครมาแย่หน่อ ย, ออยมันก็เลยมีเรื่องให้พูดไปโอเคนะมีอะไรไมั้ยไม่มีแล้ว ค, ค, ครับขอบคุณครับอาจารย์ใชาทุกไปที่คนที่ตีมาย้นอนเมืองอนำลูกสาวมาด้วยนะ <laughs> กลับนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูอยู่หัวหินค่ะมาอบรมกันสองคนค่ะอ่าไปทำอะไรไม่ดีนะมาอบรมมามาอบรมเฉยๆค่ะไม่ได้ทำอะไรไม่ดีค่ะพระอาจารย์ก็เป็นถ้าทําไม่ทำอะไรไม่ดีทำมันต้องมาอบรมได้มาสัมมนาค่ะพระอาจารย์ของขามาเที่ยวค่ะเอ่าสัมมนาอบรมนี่มันสาหรับเราคนเกเรก็ต้องมาอบรมมาอบรมสั่งสอนค่ะพระอาจารย์ พวกหนูสองคนนะคะพระอาจารย์พรุ่งนี้ถือสินครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะสินแปดหนวันเลยเนี่ยใช่ค่ะก็ เ, เลยสเดือนใช่ค่ะตลอดไหมหมดตอนซาไว้ไหมไหวค่ะอย่าเป็นม้าตื่นต้นตีนต้นขอตอนปลายแผ่วลงแผ่วลงหมดแรงน่าจะยังไม่หมดแรงคะระอาจารย์ เดินตัง้งใจค่ะจําสัจจะของเราไว้เราตั้งสัจจะ้วเราจะไม่โกหกตัวเราเองไม่หลอก<ะ>ตัวเราเองแต่พระอาจารย์นี่สาธุแล้วรสึสบายใจขึ้นไหมสบายใจมากมเลยค่ะกินเรื่องอะไรนี่เบาบางลงแล้วไม่ต้องมางกังวนกับเรื่องกินมากเกินไปใช่ค่ะแล้วในใช้เวลานั่งสมาธิด้วยะปะ นั่งค่ะทางเช้าแล้วก็เย็นค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่กินอาหารเย็นแล้วมันเสียงมันจะนั่งสบายขึ้นนะตอนเย็นเนี่ยใช่ค่ะไม่ง็นค่ะไปจาดค่ะโอเคก็ปฏิบัติไปความเทศน์ทำไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนหนูมีคำถามค่ะอ่าใช่ค่ะ ม่เพียผ้าค่ะพระอาจารย์อ๋อแม่พีภาไม่มาบางพีภาไม่ได้มาไม่มาเราเพียภาอยู่มาอยากอยากจะกล่าวขอบคุณพระอาจารย์ค่ะที่เมตตาช่วยสอนเพียผ้าค่ะอืมเป็นยังไงเพราะว่าเขาเข้าใจเลยเขาก็มเหมือน บว่าเวลาที่เขากลับมาโกรธเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีเขาบอกเพื่อนที่ทะเลาะ ก, กันเงี้ยเขาก็จะดีใจแล้วก็เขาก็จะกลับมาเล่าเขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะพอบอกหลงตายเงี้ยค่ะอืมเนี่สอนได้เด็กครสอนสอนธรรมะสอนได้แต่ต้องสอนให้เชิงปฏิบัติ<ะ>สอนไปปฏิบัติไปสอนทฤษฎีไม่ได้เด็กมันไม่เข้าใจมันเยอะไปเลยเชิงปฏิบัติในปฏิบัติ ก็นี้กับแบบเหมือนเวลาวันนึงก็จะมีเขียนแบบหนึ่งหาเขียนหนังสือจุลธรรมนาใจอะค่ ะ, เ ข, ะขเขาก็จะตัดออกเขาแต่เขาก็เขียนไมทุกวันทำการบ้านไปเรื่อยๆใช่เป็นการฝึกสติเปบด่เพรเวลาจะต้องเปลียนอะไรมันต้องใช้สติคนะ่ะเ<ช>ดนุบายที่ดีอย่างนึงที่เขาชอบวาดรูปชอบเขียนอะไรไปเรื่อยอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกเนี้ยเขียนอันเนี้ยของหนูตาจะได้แบบ ตืกความเข้มข้นด้วยได้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็รอร อ, อที่จะแบบรอจะคุยกับหลวงตาเขาจะรู้แล้วว่าถ้าวันอังคารจะต้องคุยกับหลวงตาเป็นภาษาอังกฤษถ้าวันพุธจะเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะเาก็จะรอมาชอบคุยภาษาอังกฤษอะใช่ค่ะตราเรียนินตอรแล้วปะไม่ค่ะพูดสอนตอะกันดีโอเคมีอะไรอไหมไม่มีแล้วค่ะอาจารย์ โอเคนะการทดีก่อนตะวันตะวันอยู่ข้างล่างครับตะวันกอับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแยุดยุดท่ยี่สิบห้านะฮะคนคนที่ยี่สิบห้านะครพูดดังๆหน่อยเข้ามาพูดดังๆหนุกกาโอเคโอเคเสียงจจาจง่าอะไรมีอะไรบามาเลยเออวันนี้แค่มีหนึ่งคมถามครับอ้าไง เออประพุทิชจ้าสอนให้เห็นควางจริงของร่างกา ย, ย, กตาายแต่ทำไมเราต้องปกปิดกอบเสื้อผ้าครับเอ่อเสื้อผ้านี้มีไว้ป้องกัน ร, รักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ปว่วยเพราะร่างกายของมนุษย์ไม่เหมือนร่างกายของสัตว์สัตว์นี้ก็มีขนมีอะไรป้องกันความหนาวก็ได้แต่ร่างกายของคนนี่ถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่เดี๋ยวหนาวตายได้ได้ไดอย่างหนึ่ง ถ้าอยู่ที่มีมแมลงสัตว์กัดต่อยก็อาจจะถูกกัดยุ่งกัดโยกอะไรกัดต่างๆก็เลยจำเป็นจะต้องมีเครื่องป้องกัน ร, ร่างกายเสื้อผ้าเป็นเหมือนเครื่องป้องกัน ร, ร่างกาย protection อยันใหญ่ไหมไอ้อย่างมนุษย์นี้ไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มีความยางอายไม่อยากที่จะอ่าโชว์ร่างกายทั้งหมดทุกๆก็เลยต้องมีการใส่เสื้อผ้า คนที่ไม่มีความยังอายคนที่แก้ผ้าเดินตามหนนนี้เขาจะเป็นคนที่ไม่มีความอายเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานเขายังไงบ้างคนที่มนุษย์เป็นมนุษย์นี้เขารู้ว่าคนจะคนจะอแต่งตัวแล้วคนจะใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสถานะของเขา ก็เลยมีการใส่เสื้อว่าสมัยก่อนก็ไม่มีเสื้อผ้าแบบเราใส่กันแบบคนสมัยก่อนสมัยไดโนเสาร์เพราะว่าเอาแต่เอาหนังสัตนหงอะไรมันมา ม, มันปกมาปิดร่างกายนิดหน่อยคนขนาดยกไดโนเสาร์เยังมีความอายอะไรเขายังต้องปกปิดอวัยวะของเขาแต่คนที่จะเลยนะรู้ว่ามันยากาการการที่เราไปเปิดเปิดอะไร ส่วนที่เป็นส่วนไม่ควรจะเปิดมันก็ทำให้เรานี้ดูแนละ้วมันไม่ไม่สงาาส่าราศีไม่มีสงาาส่าราศีเราเลยต้องมีการปกปิดส่วนที่ไม่ควรที่จะเปิดเผยอายุนี้สมัยนี้คนก็กลับมองมุมกลับเพราะว่าเปิดเผยี่เป็นแสดงว่าเป็น เ, เ, เป็นคนเอ่คนทุ่งคน <laughs> ก็แล้วแต่อันนี้เข้าใจไหมแต่แต่วันไม่อยากจะใส่เสื้อผ้าเนละยหัวใเออออกไปข้างนอกไม่ใส่เสื้อผ้าหนาวตายเลยหน้าหนาวเข้าขใจอย่างใส่เสื้อผ้าเราคนเราต้องมีการใส่เสื้อผ้าจะได้ดูแลเรียบร้อยดูแลมีสัญลักษณสี ไม่เหมือนกับเสร็จจัดเดรัชามไม่เหมือนกับมา้าไม่เอาสุนัขมันก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ขนาดคนที่เลี้ยงมาก็ายังเอาเอาเสื้อผ้ามาใส่ให้มาเลยก็อยากใช้ม้ามีชัยร า, าสีอยู่นะเข้าใจไหยเข้าใจหรือยังก็้าใจครับอืมมีอะไรไหมไม่มีครับไหว้พระสวดมนต์ทุกวันหรือเปล่านั่งสมาธิทุกวันหรือเปล่า น้องสมาธิครับแล้วเสร็จมอถืพยายามนั่งทุกวันนะเมกสติเบตสมาธิแล้วใจจะได้มีมีมีหลักมีเกณฑ์มีที่พึ่งมีเบรกเวลาโกรธจะได้หยุดความโกรธได้มีอะไรไหมไม่มีครับแม่มีอะไรบ้างไม่มีค่ะพระอาจารย์ โอเค่ะครทำไมไม่ก็ขอไปตามตามคิวต่อโอ okay. ไปที่คุณสารกากาชัยนาอยู่ฮันคาแล้วคุณสารกากาอ๋ออยู่วัดสิงค์ค่ะพระาอาจารย์อ๋อวัดสิงค์นะแต่มาฟังธรรมค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะอมีกิวขึ้นเขาอยู่ว่าเอออาทิตย์หน้าค่ะพระอาจารย์อาทิตย์หน้าเลยนะกลางวันอนะ เออไปแปดวันค่ะอืมก็ดีนะค่ะยาวยามมามันจะได้รู้สึกเออมันได้เป็นเวลาค่ะนิ่งสงบค่ะโอเคต้องพยานปฏิบัติไปเรื่อยๆนะกาจัดกิเลสไปเรื่อยๆค่ะถ้ายังไม่หมดก็ยังแปลว่างานไม่เสร็จนะค่ะค่ะยั ง, ย, งยังไม่เป็นวุตสิตังปรารมจริรยังค่ะเสกตินในปรามจรนย์แต ค่ะ ถ, ถ้ายังมีกิเลสลงเหลืออยู่ในใจนี่ยังกิดยังไม่เสร็จนะค่ะโอเคสาธุาไปที่โกเบคุณจุ๊บแบบนักการพระอาจารย์เจ้าคา่ะอย่างไรหนูปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้กำลังพยายามจะเริ่มเรียกว่าเพิ่มจำนวนเวลาขึ้นขึ้นเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ ดียิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะผลมันเกิดจากเหตุคือการปฏิบัติปฏิบัติน้อยผลก็เกิดน้อยปฏิบัติมากผลก็เกิดมากพระอาจารย์เจ้าคะหนูได้ไปอ่านบทความที่ไหนสักเที่อะคะพระอาจารย์ที่เขาบอกว่าผู้บรรลุธรรมจะต้องพยายามหนึ่งคิดพยายามคิดว่าเราไม่สูงกว่าเขาสองเราต้องไม่เท่ากับเขา แล้วก็สามเราไม่ต่ํากว่าเขาหนูอ่านแล้วหนูรู้สึกว่าเออแล้วตรงเนี้ยเราควรจะอยู่จุดไหน อ, อะคะพระอาจาราย์เอยู่อยู่เฉยๆไงอย่าไปคิดว่าเราสูงกว่าเขาต่ํากว่าเขานั้เท่าเขาไม่คิดว่าเราเหมือนเขาเหมือนกันในในในในเรื่องของความจริงใจของเขาเขามีใจเราก็มีใจใจก็เป็นท่าตรู้ เขามีร่างกายเราก็มีร่างกายร่างกายเขาก็เป็นท่านดินน้ำหลบไฟร่างกายเราก็เป็นท่านดินน้ำหลบไฟดังนั้นเขากับเราจงถือว่าเหมือนกันเท่ากันเท่ากันตามหลักความเป็นจริงแต่เราก็ต้อ ง, เ ร, องเราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ในโลกที่มีการสมมุติกันเราก็ต้องคำนบกฎของสมมุติด้วยแต่เราอย่าไปยึดไปติดคือป่ะเช่น คนที่เป็นพ่อแม่เราเขาก็เราก็ต้องถือว่าเขาสูงกว่าเราคนที่เป็นลูกเราเราก็ต้องถือว่าเขาต่ำกว่าเราวันที่ก็เป็นพี่เราเราก็ต้องนับถือว่าเขาสูงกว่าเราหรือคนที่เขาเรียนเก่งกว่าเราเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาก็เขาก็ต้องเก่งกว่าเราอันนี้เป็นหลักความเป็นความจริงในเชิงสมมุ ต, ตมิตามทัดตามตามทางง่าของเขา ตามความสามารถตามความรู้ความสามารถของเขาเขาอาจจะเก่งกว่าเราในเรื่องนั้นแต่เราอาจจะเก่งของเขาในเรื่องอื่นก็ได้สนับสนุนเมื่เราให้ดูตามความเป็นจริงไปอย่าไปอย่าไปคิดใจว่าฉันดีกว่าเธอฉันเก่งกว่าเธอโดยที่ไม่มีอ่าโยไม่มีความเป็นจริงมาสนับสนุนเนี่ย <Okay. Okay. S 1> แต่เราก็ <Okay. S 1> แต่เราก็ไม่ควรจะถือตัว ว่าการถือตัวบางทีทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเราถือว่าเราดีกว่าเขาเขาเป็นคนใช้เราเราเป็นเจ้าทายเขาถ้ามันดีคืนดีถ้าเกิดเขาไม่เขาไม่เคารพเราเราก็จะเสียใจเราก็จะโกรธเขาได้แต่เราถือว่าเราก็เป็นเหมือนกันก็จะเคารพเราไม่เคารพเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาห้ามก็ไม่ได้การทางสมมติบบเรา เราเป็นเจ้านายเขาเขาเป็นนุ้งน้องเราแต่ความเป็นจริงอีกอีกด้านหนึ่งคือด้านดาน้านธาตุด้านร่างกายจิตใจนั้นเขากับเราเหมือนกันหมดทุกนี่าเขามีใจเราก็มีใจเขามีร่างกายเราก็มีร่างกายเหมือนกันร่างกายของเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าของเขาใจของเขาก็ไม่ได้เออก็ไม่ไม่ได้ดีไปกว่าของเราเหมือนกันยเราเท่ากันตรงนี้ ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราก็ต้องทือหลักนี้ที่เราทุกข์เขาท้องที่เราคิดว่าเราเป็นเป็นนั่นเป็นนี้แล้วเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กับเราเช่นถ้าลูกเราเกิดไม่เคารบเราเนี่ยเราก็จะทุกข์ละเพราะเราคิดว่าเราเป็นแม่เขาทำไมเขาไม่เคารบเราทําไมเขาไม่เชื่อฟังเรามันนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่เขาไม่แคร์เขไม่สนใจเนระื่องแม่เรื่องลูกเขาถือว่าเขาจะทําอะไรตามความรู้สึกของเขา ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาอยากจะเขาร่วมเราหรือไม่เข้าร่วมเราแล้วก็ไปบังคับเขาไม่ได้เอาอย่างนเข้าใจง่ายเลยค่ะพระอาจารย์ที่ไม่ถือตัวก็จะได้เราจะได้ไม่ทุกเวลาที่คนไหนก็ไม่ไม่ปฏิบัติตัวที่กับเราในตามฐานะที่สมควรที่อันจะควรจะเป็นเราก็ต้องคิดว่าเขาอาจจะไม่ไม่แยแสไม่แชร์ไม่อะไร เรากไปบังคับไปห้ามก็ไม่ได้แล้วก็เฉยๆไปให้รู้เฉยๆไปแล้วค่ะหนูก็ชะเนาะได้ได้คําสอนของพระอาจารย์นะคะหนูอเอามาติดต่องในจิตใจของหนูตลอดเวลาเลยคะ่ะพระอาจารย์อย่างที่ทํางานหนูก็มีเจ้านายมีคนที่สูงกว่าเราต่างจากเราเนี่ยอปจ้ะค่ะแต่บางทีเขาก็มาทำตัวไม่เหมาะสมกับฐานะเขกาก็มี เราจะขาดเราก็อย่าไปถือตัวถ้าเราไม่ถือตัวพระอาจารย์หวงพ่อให้ถ้าจะถือตัวให้ถือว่าเราเป็นแจว่าดีที่สุดเป็นแจวดีที่สุดอตามที่สุดนะราก็จะไม่ผิดหวังใครจะเขาจะไม่ใครเขาจะไม่เคารพเราไปเขาจะไม่ให้ความสำคัญกับเราเราก็จะไม่เสียใจเพราะเราเป็นแจวนะ แต่ถ้าเราถือว่าเราเป็นเจ้านายแล้วเกิดใครไม่ให้ความชงใครยเราเราก็จะโกรธเ ข, ไไข้าไปมาขอบคุณพระอาจารย์มากมนะเจ้าค่ะเ้าใจแล้วนะข้านะจใจมากเลยความจริงมันมีสองด้านความจริงที่เป็นเหมือนกันกับความจริงที่ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมคนเรามีสองด้านความจริงที่เหมือนกันก็คือมีร่างกายมีใจเหมือนกันความจริงที่ไม่เหมือนกันก็คือมีฐานะไม่เหมือนกัน ในความรู้ความสามารถความฉลาดไม่เหมือนกันมีตำแหน่งไม่เท่ากั น, ออ น, นขอบคุณพระเจ้า์ม่เจ้าค่ะหรือเจะาีบัดค่ะโอเคไปดีคุณดิษยากับคุณุสานราทีวา่ว่าพูดก่อน น, ะนตรการธรรมนการขาจารฮัลโหลก่อนค่ะพระอาจารอ่า วันนี้ตดน้ําเอ้กินแต่น้ําเปล่าหนึ่งวันค่ะพระอาจารย์แล้วเป็นไรทุกข์ไหมก็เฉยๆค่ะไม่รู้จะ <c oughs> บอกอยังไง <c oughs> ก็คือมันมันอยู่ได้ค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ก็ใช้ตอนแรกก่อนนั้นนั้นที่ที่หนูบอกอะค่ะว่าว่าลองใช้กระสินไฟเผาตัวเองแล้วมันไม่ได้เห็นว่าร่างกายเห็นว่าร่างกายมันเบริ่เอเอเขาเรียกอะไรไหม้ค่ะ แต่ว่าเจ้พักมันจะมีภาพอีกภาพหนึ่งขุดขึ้นมาเป็นล่างของคนอื่นนะคะแล้วเขาก็ไม่เหมือนกัน<ม>อยู่ๆมันก็คิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อเราก็แค่คนดูแล้วจริงๆเราอยู่ตรงกลางค่ะถ้า<ม>ถ้าจะเข้าไปในล่างมันเหมือนมีอะไรยืดยืดเข้าไปกับแล้วเราถึงค่อยลิงก์กันพอพอออกมาก็เลยลองลองดูว่าไอ้เรื่องนี้มันตกลงมันจริงหรือเปล่าลองแต่กินน้ําก่อนหน้าเนี่ยค่ะที่ก่อนที่พัาจันจะให้ทําหนูจะลองกินน้ําปัน่น น้ำฝันสองสองวันติดกันนะคะพระอาจารย์ดูว่ามันเป็นยังไงคะ่ะก็มันจะมีบางช่วงที่ปวดหัวคะ่ะพระอาจารย์แต่พอไปมองลงไปแล้วบอกมันกลายเป็นว่าอ๋อเราพอเจอว่าปุ๊บอ๋อเรากําลังอยากคือไปดูเวทนาคะ่ะเราบอกเออเรากําลังอยากหรือเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรน่าจะปวดหัวมันก็คลายไปเลยคะ่ะพระอาจารย์แล้วพอมีอีกช่วงหนึ่งที่มันเริ่มรู้สึกเหมือนมีอาการปวดหัวขึ้นมาอีกอะคะ่ะหนูก็เลยลองคิดว่า แล้วตกลงเราเราอยากแล้วตกลงใครเป็นคนกินเราไม่ได้กินเราแค่ไปแบบว่าเหมือนดูจอโทรทัศน์แล้วเราก็แค่ไปอินไปกับเขามันก็คลายไปอะค่ะพระอาจารย์เราไปทําต้องต้องทําตัวให้เป็นผู้รู้เฉยๆกลัวว่านางกายไม่ใช่เราวันนี้ไม่ได้กินข้าวกินแต่น้าอย่างเดียวเลยใช่ค่ะน้ำเปล่าได้ค่ะไม่ใส่อะไรลงไปเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะ เราคิดว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายมันจะกินมันได้กินเราก็ไม่ควรจะไปเดือดร้อนได้กับมันมันตัวมันเองไม่เห็นมันเดือดร้อนมันบนวดหรือเปล่าไม่ได้กินข้าวอันนี้มันบนวดอไม่ปวนอะไรเลยค่ะนนเขาก็อยู่ได้เออเขาก็อยู่ของเขาไปเราไปทุกข์แทนเขาเองใช่ไหมเวลาเราไปคิดว่าเราเป็นเขาถ้าเราไปคิดว่าเราเป็นเขาเราก็จะทุกข์ขึ้นมาค่ะตอนแรต้อวก็เป็นผู้ดูแลเฉยเลย ถ้าไม่ทํอย่านี้เราก็จะไม่รู้จริงว่าเรารรู้เาดูเฉยๆได้หรือเปล่าแล้วพูเรา ด, <ะ>ดูเฉยๆได้แต่เราหาอะไรมาให้กินหาอะไรหาหาครื่องสัมมาวัฏฐานาท า, าปากนี่แล้วเครื่องสัมมาวัฏฐานาท า, าปากนี่ทาําไงล่ะยังทํายังต้องทำอยู่หร<ไ>ือเปล่า ก็ยังทําอยู่ค่ะเพราะว่าออรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราทำมันหมหนูว่าบริบทของหนูควรจะให้ความน่าเชื่อถือกับเรื่องนี้หน่อยะคะ่ะหนูก็เลยเขาเราก็หนูก็ค่อยค่อยค่อ ย, อ ย, อยถอยมันออกมาก็าคือว่าค่อยค่อยแต่งหน้าให้มันอ่อนลงอ่อนลงไม่ใส่ไม่ใช้รองพื้นใช้ทาแต่แป้งอย่างเดียวแล้วก็เขียนคิ้วกับทาปากอย่างเดียวค่ะเขาดูหน้าเราแล้วก็ดูความสามารถของเรา เขาตัวความแต่ว่าไม่ไม่รู้จมันจะมีผลหรือเปล่าเราหน้า<ะ>สวยขนาดไหนถ้าเราไม่มีความสามารถเขาก็ไม่จ้างเราเ <c oughs> นี่ยเด็กที่มาเรียนกับเราถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถจะสอนเขาแต่เราแต่หน้าสวยขนาดไหนเขาจะมาเรียนกับเราอ่ะแล้วถ้าบางคนเขาบอกว่าครูคนนี้ เคยเห็นคนเด็กพอพูดกันลับหลังแบบคนนี้โทรมจังเลยแย่จังเลยไม่ดูแลตัวเองเลยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วเขาก็ไม่อยากเรียนอะไรเนี่ยค่ะขนาดหนูยังเผาร่างกายได้แล้วเพียงขนาดให้เขาว่ามันโทรมวันนี้มันทำให้ เ, เดือดร้อนด้วยเนละเวลาไหว้ร่างกายถูกเผานี่ไม่เดือดร้อนแต่พอใครมวาว่ามันโทรมกลับไปเดือดร้อนเนะนี่ยแสดงว่ายังยึดยังติดกับมันอยู่ แต่ถ้าไม่เฉยมัแสดงว่าก็แสดงว่ายัางยึดติดกับมันอยู่ยังยึดตัวเป็นตัวเราอยู่แล้วต้องทํายังไงต่อละคะพระอาจารย์ก็ไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งตามวันเราเนี่ยเราไม่แต่งในวันนี่ก็โกรธ ห, หัวโลนี้เราโกรธหัวโลนอย่างเราดูเลยว <c oughs> ันเนี้ยมีโยมคนอยู่ข้างล่างเนี่ยเข้าไปชีโมวมานี้ <c oughs> มีที่จริเป็นเพื่อนหนูค่ะพระอาจารย์ก็เป็นเพื่อนหนูที่โรงเรียนเก่านั่นแหละอันนี้ให้พูดหมายถึงว่าพิสูจน์ไงว่าเราเราปล่อยวางจริงหรือเปล่าในร่างกายเนี่เราปล่อยวางเราปล่อยวางมันจะอยู่ในสภาพไหนแล้ก็ไม่เดือดร้อนกับมันถ้าเราหย่อมันต้องมันเดิม ย, ยังต้องแต่งหน้าแต่งผ้าแต่งตัวแต่งอะไรยังนี่ก็แสดงว่าเรายังยึดติด ก, กับมันอยู่ ใช่ไหมมันยังยังยังมีส่วนว่าเป็นเราอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นร่านของเพื่อนไม่เห็นเราไปเราไปเดือดร้อนแทนเขาเนี่ยเขาขีงโม่าหัวร้อนอ่นี้แล้วทำไมพอเราหัวร้นนั่งเราไปเดือดร้อนอันนี้พูดในฝังไม่ว่างกันนะลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันถ้าจะให้เอ่า คือถ้าเป็นคําสั่งเขาให้ทำเรูก็ทําได้หมดนะคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คำขอสั่งมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่เราจะต้องเป็นคนที่ต้องพิสูจน์กับตัวของเราเอง mm hmm. ว่าเรายัางยึดติดกับร่างกายนี้อยู่หรือเปล่าอันที่พิจารณาให้เผาร่างกายเขาก็จะ ร, รู้ว่ามันไม่ใช่เราเราไม่ยึดติดวันหนึ่งมันก็ต้องถูกเผาไปกลายเป็นที้เท่าที้ฐานไป เวลายอมให้มานเผาได้แล้วทำไมแค่โกนหัวเรทำไกนไม่ได้แค่ไม่แต่งหน้าทาปากทำไมเราทำไม่ได้ไไไไดใช่ไหมมันก็ขัดกดันเนี่ยนะ ม, มันปล่อยบางอย่างแตบางอย่างยังไม่ปล่อยอันนี้อันนี้ต้องมาคิดดูก่อนนะอันนี้อาจจะยังไม่ไม่ลอกข้อปัญญา ย, ยังไม่รอกอือันนี้มันได้สั่งนะเราทำอะไรนี่อย่าทําตามคําสั่งเราเดี๋ยวเรากลายเป็นเป็นบาปเป็นกรรมของเรา <laughs> เราสอนเฉยๆนั่นเองให้ไปคิดให้ไ ป, ไปเป็นแนวทางสอนสอนวิธีคิดให้คิดถ้าเราต้องการที่จะปล่อยวางร่างกายถ้าเราไม่ถ้าเราไม่แคร์ใครก็ด่าเราใครก็ไม่ใครก็ตำหนิแล้วว่าหน้าหน้ า, นาตาโซรมก็เราก็จะไปเดือดร้อนทำไมถ้าเราไม่ถือว่าร่างกายเป็นตัวเราใช่ไหม อย่างนั้นเยอยังร่างกายของเพื่อนหนูนะมันหนูหนไ ม, ไม่ไม่ไปเดือดร้อนหน้าตายก็โศกจะตายหัวร้อนที่ติเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองไปยังเดี๋ยวต้องหาเหตุผลให้มันรอบกว่านี้ค่ะเพราะยังออตอนนี้แล้วยังไม่มันยังไม่ยังไม่ลงเข้ามาอ่าไม่เป็นไรนะฮะมันข้อคิดไปเป็นข้อสอบไปค่ะ อเคนะมีอะไรอยู่ไหมค่ะข้อข้อข้อสองขยับอยากจะถามพระอาจารย์นานแล้วอะค่ะคือเรื่องเกี่ยวกับความตายค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าคือมีหนูเคยเจอกับความใกล้ใกล้ตายอยู่ครั้งหนึ่งหนูโดนหนูเข้าไปดูดูคอนเสิร์ตนะคะแล้วมันถูกเหยียบเหยียบเข้าไปถูกถูกคนเหยียบเยอะๆอะค่ะถูกคนเป็นร้อยคนนะคะ่ะอัดอยู่แล้วเหยียบมันหายใจไม่ออกก็เลยเข้าเข้าพุโทโธค่ะตอนนั้น ช่วงอยู่ช่วงม4มันเป็นครั้งแรกค่ะที่หนูเข้าเข้าไปในที่ว่างได้แล้วยังไม่รู้จักว่ามันเชื้ออะไรแล้วมันสบายสบายมากๆแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับออกมาเลยแต่ว่าพอสักพักนึงอยู่ไปสักพักหนึ่งค่ะถึงค่อยนึกขึ้นมาได้ว่าเออเดี๋ยวถ้าสมมุติพ่อจัดงานศพแล้วพ่อแม่บอกบอกพ่อแม่บอกคนว่าตายเพราะว่าโดนเหยียบอย่างเงี้ยก็สงสารพ่อกับแม่เลยออกมาดีกว่าแต่มันก็ออกมาได้ค่ะ คือหนูก็เลยรู้สึกว่ามนเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ฝังใจว่าถ้าสมมุติว่าตอนที่เราเจ็บหรือรอตอนเราจะใกล้ตายถ้าเราเข้าสมาธิแล้วเข้าสู่ความว่างแล้วมันก็ออกมามันทําได้หรือเปล่าคะพระอาจารย์ว่ามันเป็นการเป็นการเ อ, อหนกเรื่องความตายของร่างกายไปแต่เราไม่ได้ยอมรับกับสภาพความตายของร่างกายถ้าเรายอมรับเราไม่ต้องเข้าสมาธิ ให้มันดูให้มันหมดลงมาใจไปต่อหน้าต่อตาแล้วไงถ้ามันจะหยุดถ้าเรามองว่าร่างกายมไม่ใช่ตัวเราของเราัจะตายก็ปล่อยมันตายไปอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาแต่ถ้าเราใช้พูโทโธพุโทโธเนี่ยแสดงว่าเราเข้าสมาธิหลบเหตุการณ์คือความตายไปยังไม่กล้ารรเผชิญกับความตายยังไม่ยอมปล่อยยังไม่ยอมรับยังไม่ยอมให้ร่างกายตาย ก็ไม pues ่เ oh ป็นไรก็สมัยที so, ่พู้จ้ายังไม่ได้ตัดสะรวคนที่เข้าเข้าสมาธิได้เขาใช้วิธีนี้เวลาเขาจะตายเวลาเขาเจ็บเขาข้อสมาธิไปแล้วก็ไปเกิดบนบนสวรรค์ชั้นสองรูปประพรมารูปประพมแต่ยังต้องกลับมาเกิดใหม่เพะยังไม่ได้ค่ากิเลสอัตตาตัวตนมันยังมีอยู่ความอยากมันยังมีอยู่อยากอยู่อยากเป็นยังมีอยู่ คือคนขอชทษค่ะพระอาจาครัมันมีสองระดับมีมีระดับความทุกข์ที่เกิดจากเวลาร่างกายเจ็บอยากจะตายเนี่ยมันดับด้วยสติหรือดับด้วยปัญญาดับด้วยสติก็พุทโธพุทโธหนึ่งใจให้สักเข้าสู่ความสงบแล้วไม่รับเรื่องเรื่องร่างกายไปร่างกายจะตายตอนนั้นก็ไม่ไม่รเรื่อง แต่มันความกลัวตายความอยากยังไงยังมีอยู่ความอยากอยู่ยังมีอยู่ในใจเราอยังไม่ได้พิจารณาตายแล้วไม่ได้เห็นหน้ากายมาเป็นตายแล้ว ค, คือถ้าแบบเราหลบเข้าไปอ่ะมันก็จะเร็วแล้วก็เย็นไปเลยแต่ว่าถ้าใช้วิธีใช้ปัญญามันจะดีกว่าในระยะยาวถูกไหมคะมันก็จะได้ฆ่ากิเลสไปเลยใช่แล้วมันจะไม่กลัวตายตลอดไป มันก็สมาที่ออกมาตอนนี้มันก็ยังกลัวตายอยู่ใช่ไหมยังไม่อยากตายอยู่ยังอยากอยู่เพราะยังอยากใช้ร่างกายหาความสุขแต่เว็บเสียงกลิ่นลมอยู่ยังต้องปักสายตาจะบอกเห็นกายอะไยังไม่ได้ใช้ปัญญาตัดพวกนี้มันก็ยังมันก็ยังทําให้เรานี้ยังอยากอยู่ยังไม่อยากตาย ยังไม่อยากเก็บไม่อยากแก่เราจะได้ใช้ร่างกายมาความสุขอย่างรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นขั้นวิปัสสนาต้องใช้ปัญญาละนั่งรูปเสียงกลิ่นรสอย่างวันที่ให้ลงไม่ให้เดื่ดน้ําที่มีสีไม่กลิ่นนะให้กันละรูปเสียงกลิ่นรสไปเดื่ดน้ําป่ า, ปา หนูใช้วิธีเหมือนยอมรับกับเวทนามันมากกว่าค่ะว่าเหมือนถ้ามันจะตอนแรกอะคิดว่าใช้ว่าเออใครเป็นคนกินแต่ว่าเวลาที่มันมีเวทนามันจะเกิดขึน้นเป็นกราฟตลอดเวลาค่ะอาจารย์หนูก็เลยใช้วิธีไม่สนใจแล้วก็ปล่อยเข้าไปถ้าเขาอยากจะรู้สึกไงก็ในร่างกายหรืออะไรก็ปล่อยปล่อยไปไม่สนใจมันก็หายไปเองเกิดขึ้นดับไปแต่ว่าใจเราไม่ต้องสั่นแบบนั้นนะคะก็ยังอาจจะใช้แค่ใช้สัต ใช้สติสู้กันอยู่ไม่ได้ใช้ปัญญาปัญญาเราบอกว่าเราติดรูปเสียงกินนอนเวลาไม่ได้เสกมันเราเสึกใจสัน่นอ่ะเดี๋ยวจะลองเอาไปทําค่ะถ้าเราใส่ความอยากเน้่นต่อไปเราจะไม่สัน่นเวลาที่เราไม่ได้เสกรูปเสียงกินนอนอย่นั้นเปล่าๆเราก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขไงถ้าเปล่าก็หวานดีนะถ้ายื้มบ่อยๆก็มันจะ ใช่ค่ะมันไม่มีตัวเลือกอะไรมันก็กินไปเรื่อยๆมันเริ่มชินแต่มันชินแบบถูกบังคับนะไม่ใช่ชินในการใช้ปัญญาไม่เห็นทุกข์ในรูปเสียง ก, กลิ่นรสพอเกิดเคยดืม่มเครื่องเดื่มที่มีรูปเสียงรูปกลิ่นรสที่ชอบเกิดวันไหนไม่มีให้เดื่มมันก็จะรู้สึกหงุดหงิดแล้วเหมือนน้ำกาแฟอย่างเงี้ยวัออนไหนไม่ได้ดื่มน้ำกาแฟขาดไปมันก็แล้วหงุดหงิดขึ้นมาแล้ว แสดงว่าติดรูป ต, ติดรูปติดกลิ่นของกาแฟาติดรสของกาแฟาถ้าเราไม่ติดเราก็ไม่ต้องมีกาแฟาไม่ต้องไปกังวลไปหาซื้อกาแฟามาดืม่มไม่มีกาแฟาก็ไม่เดือดร้อนไม่ดีกว่าเดือดน้ำเปล่าเราไม่เห็นว่าการเสพ ร, รูปสิ่งกินรสในรูปแบบต่างๆเป็ น, เ ป, นเป็นความทุกข์เป็นการ สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวแล้วมันเป็นเหมญอนาเสพติด น, นะก็งพวนี้พอเสกแล้วมันติดเว่ น, นไม่ได้เส็กแล้วมันจะทุกข์ อ, อาวุธใจาะนะมีอะไรไหมคะไม่มีแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากค่โยมจะรายงานอาจารย์นะคะตอนนี้ถือศีลแปดจะครบเดือนแล้วเช่นกันค่ ะ, ะค่ะ แล้วก็สิ่งที่เจอเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ยมยมอยากราย ง, งานค่ะอาจารย์คือวันนั้นโยบอกไปเดินรอบสนามเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็เดินเดินแรกก็พูดโทรไปก่อนแล้วก็มันมันยังมันยังคิดมันยังฟุ้งใช่ไหมคะยมก็บอกว่ายมนึกถึงคําที่อาจารย์เคยถามยมว่ารอบสนามเนี่ยเดินประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะยมเ็ว่าอาจารย์บินธบาตอาจารย์บอกได้ว่าคนใส่บาตรกี่คนแล้วเราเดินรอบสนามเดินกี่ก้าว เดี๋ยวเราจะนับเดินกล้าใหม่ดีกว่าเมื่อเริ่มต้นเราจะเริ่มใหม่ใช่ไหมคะยมก็เดินไปจากจุดที่ยมเริ่มต้นพอเดินไปถึงดังนั้นคาจริงยมพุทโธพุทโธอยู่พอถึงจุดร่มต้นมันนับหนึ่งสองสามไปเองดิบอกโดยที่ยมยังไม่ได้สั่งมันนะคะอาจารย์ยมบอกพอเดินไม่ได้ประมาณสิบก็เฮ้ยยังไม่ได้สั่งนี่นาทำไมมันนับจะแล้วก็เลยเออก็ก็เดินขาๆไปต่อนับไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์นับไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอมาเริ่มคิดปุ๊บ มันเหมือนมันดีดออกไปเองไงคะปกติเราต้องห้ามความคิดใช่ไหมคะครั้นี้แบบเขาไปคิดปุ๊บมันกลับมาก็เดินไปพอมันเริ่มมีคิดมันก็กลับมาแบบมันมันไม่ได้สั่งงานนะคะอาจารย์แต่มันเป็นไปเองโดยกลไกของมันเองอะค่ะแล้วโยมก็เดินรอบแรกประมาณห้าร้อยสามสิบห้าเก้าค่ะเดินรอบใหม่เฮ้ยมั่วหรือเปล่าเดินใหม่เดินใหม่ก็ประมาณอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าเก้านี่แหละค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีบวกลบเนื่องจากว่า การตีโค้งมีการเดินคนเดินอย่างนี้เราอาจจะเดินหลบอะค่ะแล้วก็สองสองร้ยห้าสิบเมตรค่ะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าสิซซมมปปรระะาาณณตรงที่ว่โยมว่าพ่อนับเอาใหม่แล้วสี่รอบว่ากิโลเลยค่ะเดินประมาณสี่กิโลเอเดินประมาณสี่รอบโดยเดี่ยวขั้นต่ำค่ะแต่ว่าสิ่งที่โยมพบก็คือการเดินนับเก้าเนี่ยค่ะมันจะดีกว่าการเดินพุทโธสําหรับโยมนะคะเพราะว่า แต่มันก็ไม่สะดวกมันกได้เพลินใจได้สติแต่มันไม่ไม่นิ่งใช่ค่ะแต่พอมันพอมีเริ่มเริ่มไปวอล์ปุ๊บมันกลับมาเองอะค่ะอาจารย์สิ่งที่โยมโยมอัศจรรย์ใจโยมเองว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ดัสั่งแต่มันมันดีดออกไปเองโดยกลไกอัตโนมัติอะคะ่ะมันรู้สึกเออดีแล้วก็พอกลับมากลางคืนก็นั่งสมาธิใช่ไหมคะพอนั่งเนี่ยจากการที่ว่าฟุ้งมาตลอดนั่งคณิยมลอง ไม่พูดโทแต่ว่าดูลมหายใจค่ะดูลมหายใจแล้วมันยังฟุ้งอยู่แต่รับรู้ถึงลมหายใจที่สัมผสัสมันเริ่มมาหลายวันแล้วละอาจารย์มันเริ่มรับรู้ถึงที่ทมันสัมผสัสแล้วคราวนี้มันยังฟุ้งยมเลยลืมตาแต่ว่าดูยังรู้สึกถึงลมลืมตาแล้วก็ดูไปที่ดอกไม้หน้าพระแล้วคราวนี้มันก็หลับตาเองแล้วก็มันก็รับรู้ถึงลมหายใจคับตันหายใจออกยาวแล้วก็ทิ้งช่วงมันรับรู้ถึงอาการหายใจอะค่ะอาจารย์ลมหายใจเรารู้ แล้วก็พอเราเริ่มรู้สึกเราเจ็บขาเริ่มเริ่มเหมือนกับเริ่มเริ่มเป็นตะคิวอย่างเงีย้ยค่ะก็แค่รู้แล้วก็ดูลมหายใจไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งรู้สึกว่าอยากจะออกขามันที่ว่าเรารู้สึกเมื่อก่อนเราจะทนไม่ได้แต่ น, นี้มันก็ผ่านมาได้แล้วยมก็ยกเอามือยกขาวางทีละข้างทีละข้างค่ะแล้วยมก็บอกดูซิว่ามันจะเจ็บแค่ไหนก็ยมก็เพ่ง ม, มันนะคะมันก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่เคยเจ็บยมก็ลองเพ่งขาข้างหนึ่งดูว่าจะดูให้เห็นกระดูกซี่ว่ายังไง ก็เพ่งมันไปจนกระทั่งมันเหมือนกับมันเห็นเป็นเขาขาวเหมือนแล้วถ้าเราในแง่วิทยาศาสตร์ก็คือจุดตายตาโฟกัสอยู่จุดเดียวแต่สิ่งที่ได้คือขนาดที่เราเพ่งนั้นมันนิ่งอะค่ะอาจารย์มันนิ่งเฮ้ยมันรู้สึกโอเคกับที่ที่ปฏิบัติมาค่ะอาจารย์แล้วก็จากนั้นพอออกจากห้องพระโยมก็มานั่งที่ในห้องนอนก็ลองนั่งอยู่ก็คราวนี้มันยังฟุ้งอยู่เลยหยิบเอาหนังสือธรรมะบนเขาเล่มปีห้าแปดอะค่ะมาอ่านแต่นั่งขัดสมาธินะคะนั่งอ่านไป อ่านไปเรื่อยเรืยเรื่อยเรื่อยประมาณสามตนื้อสามบทสามบทกว่าค่ะอาจารย์แต่ขามันก็เริ่มเจ็บแบบเดิมโยมก็ดูซิว่ามันจะเจ็บยังไงก็อ่านไปเรื่อยเรยค่ะจนกระทั่งหยุดอ่าแต่สิ่งที่โยมเจอในหนังสือโยมโยมยมแฮปปี้ตรงที่ว่าการอยากปฏิบัติธรรมอยากบรรลุไม่ใช่กิเลสแต่เป็นมัคโอ้มันคือคําตอบที่อาจารย์เคยบอกแต่ว่าแล้วก็สิ่งที่พบมาเจอนหนึ่งคือเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ แต่ลบควบคุมตัวเราเองได้ก็เอามาใช้ค่ะอาจารย์แล้วก็ยมก็จับคลายขาแบบเดิมค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถดีบเองได้ใช่ไหมคะเอาขาวางวางแล้วก็พพ่งมันมันไม่ได้ปวดแบบที่เคยเป็นนะคะอาจารย์นี่คือสิ่งที่พบค่ะอาจารย์แล้วก็อยากจะรายงานอาจารย์ว่ามันมันจากการวัดผลประเมินผลที่อาจารย์โพสต์ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะค่ะยมคิดว่ายมย ม, ยมมีความก้าวหน้าในเรื่องนี่ยมยมอวยตัวเองนะคะอาจารย์ ถ้าเราไม่กลัวความเจ็บได้ก็ถือว่าก็กดีค่ะมันเจอแล้วก็สิ่งที่บอกมันเกิดไปก็ปล่อยมันเกิดไปแล้วห้ามมันไม่ได้ใช่ใชายยมนั่งมองอยากรู้ว่ามันจะเจ็บยังไง อ, อยากดูไม่ได้ไม่ได้ท้าทายนะคะแต่อยากรู้ว่ามันจะเจ็บแบบไหนแล้วก็ยังคิดว่าถ้าเราจะตายเราต้องเจ็บมากกว่า น, นี้เราลองดูมันลองเพลงมันดูคะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เคยเป็นจะรู้สึกว่า อ๋อถ้าแค่เรารู้ทันเขาแล้วก็มองเขาแบบนี้มันก็อยู่ได้ค่ะอาจารย์แล้วก็ยมก็นําค่ะกลัาที่ไม่เกิดความอยากมันก็อยู่ได้ใช่ใช่มันมันมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเราเราสัมผัสลมได้โดยที่ไม่ต้องมีอื่นมากํากับอะค่ะอาจารย์รู้สึกว่ามันมันมันแฮปปี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นอย่าไปลงกันแต่ก็อยากรายงานอาจารย์ว่ามันมันมันแฮปปี้แล้วก็ออกมามันไม่ได้รู้สึกเมื่อยหรืออะไรมันมัน สบายอาจารย์ตรงนั้นนะคะสิ่งที่โยมพบเจอค่ะใช่มีมากค่ะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับโยมนะคะจากคนใจร้อนค่ะอาจารย์เพื่อนบอกว่าเจ๊พร้อมลุยแต่ว่าคคอโยมสามารถรอโดยที่รู้แต่ว่ารอไม่ได้กวนกวายไม่ได้งุดหงิดรอค่ะรอเพราะว่านั้นท์น้องเขามาจะมารับปรากฏว่ารู้ว่าการรอเออรอถ้าเมื่อก่อนจะเป็นหงุดหงิด จะฮึดัดแต่ตอนนี้คือรู้ว่ารอก็ร อ, อค่ะอาจารย์นี่คือสิ่งที่พบเจอค่ะอาจารย์รู้สึกอ<ด>ีจังวควบคุมกิเลสความอยากได้อันนี้คือสิ่งที่อยากรายงานอาจารย์ค่ะแล้วครานิยมไปเดินแต่โยมรู้สึกว่าต้องต้องใช้วิธีนับเก้าอา่ะดีค่ะได้ต่อไปลราไม่ต้องนับเก้าดูเก้าเฉยๆโยมใช้ที่ตอนที่อยู่ในร้านนะคะเพราะว่า ร้านโยมเนี่ยมันเป็นบ้านหลังบ้านเก่าใช่ไหมคะมันจะยาวมากมแล้วก็วันนี้ก็ใช้วิธีนี้คือเดินจากหน้าบ้านเพื่อไปเอาของหลังบ้านดูเฉยๆค่ะอาจารย์ไม่คิดอะไรมันอยู่ได้นะคะอาจารย์มันไม่มีอะไรอยู่ในขณะที่เราเดินเราเดินไม่มีพุดโธด้วยค่ะแค่เดิน<ม>ดูเฉยๆค่ะ ใ, ใ ช, ใช่ใช่<ม>ค่ะมันมันสามารถทําได้แล<ม>้วค่ะอาจารย์ งันถ้าเกิดความคิดก็ต้องหยุดมันให้ได้มันพอเดินงี้มันจะไม่มีเลยค่ะอาจารย์มันไม่มีแว็บมาแต่ว่าโยมอาจจะตอนนี้ลุกขึ้นเดินเดินไปไปแบบรู้ว่าเดินค่ะไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นค่ะอาจารย์นี่คือสิ่งที่จะรายงานค่ะคจะครบเดือนแล้วนะคะอาจารย์แต่เมื่อกี้อาจารย์ถามน้องเขาว่าจะไม่ต่อเลยเอ๊เริ่มลันเลยค่ะเราตั้งสจไว้กี่เดือนอะ เ, นเดือ น, น, นเดียวค่ะเดือนเดียว ก็แล้วแต่แต่คิดว่าถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็อยากไปต่อค่ะอาจารย์มันไม่ได้มันไม่ได้ลําบากคะ่ะมื้อเดียวก็อยู่ได้คะ่ะโอเคอยู่ค่ะแต่<ด>แตว่าดูว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันช่วยการปฏิบัติเราดีขึ้นไหมมันก็ดีสําหรับโยมตรงที่ว่าโยมสามารถควบคุมคอเสลสเตอรอลเอ่ยความดันเอ่ยค่ะอาจารย์มันจะได้ช่วยโยมะค่ะตรงนี้ ยังไงเร<บ>าเรายังไม่ทำต่ออะไรอย่นถ้ามันเด็กค่ะคื อ, คอบอกตั้งใจจะทําต่อขายจาย์แต่ว่ามีน้องบอกว่าที่เมื่อไหร่ออกสิบแปดเดี๋ยวจะพาไปที่ภูจ้าบู응อืมมันก็น่าสนใจอยู่ค่ะเพราะว่ากินเวลาก็ได้เนี่ย ก, กินตอนเช้าก็ได้ใช่ค่ะโยมบอกว่าต้องต้องก่อนต้องก่อนเพนนะแกค่ะโยมก็ยังคิดว่าคือโยมโยมในขณะเดียวกันโยมว่าโยมหนักกว่าลูกอีกค่ะพระโยมจะติดในเรื่องของ อาหารกันกินมากกว่าเขาค่ะเพราะว่าตอนนี้นะฤดูผลไม้ทุกคนเอามาให้บอกว่าไม่ต้องมาให้แล้วนะพี่กินไม่ทานพี่กินมื้อเดียวเดี๋ยวได้ของค่ะอาจารย์เราไปทําบุญด้วยไปใส่บาตรนะแม่แจกแจกรอบบ้านเลยค่ะแจกรอบบ้านเลยค่ะโยมขออนุญาตถามนะคะอาจารย์ถ้าโยมจะเปา ร, รณาส่งลองกองไปถวายอาจารย์ได้ไหมคะโยมไม่ค่อยสะดวกค่ะไม่อยากจะรับของทางไปสิรีเท่ไร มันยุ่งยากยุ่งยากเพราะตอนนี้ลองกองมันออกเยอะมากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะทำบุญแถวนั้นแ่ะทําบุญใกล้ๆบ้านๆนี่ค่ะคอนโดีค่อย่าสมมาแล้วที่นี่อาหารการกินว่าเหลื่อเฟื่อแต่นเมื่อเช้าแต่เช้าที่เขาถายรูปมาให้ญาติโยมดยญาติโยมสําหรับท่านเป็นฐานเป็นฐานนะเยอะเลยอาจารย์สาธุค่อาจารย์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์จะหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่ได้ลงตัวเลยค่ะอาจารย์ อ่าโอเคสาธุสาธุค่ะไปที่คนอ่อนนองแบบนวัตการค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะรายงานเท่าไหร่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์แต่ก็พยายามมากๆเลยะแล้วก็สังเกตเห็นว่าเวลาเราร่างกายหนื่อยมากนี่ก็ มันก็จะกําลังมันน้อยมากในการที่จะทําให้มีสติควบคุมลมหายใจแต่ก็พยายามนะคะพยายามเก็บแต้มไว้เสมอเสมอการมีสัจจะที่ทานมันก็ช่วยให้เราบังคับให้เราต้องทำถ้าไม่มีมันก็ไปเลยมันก็ปล่อยเลย <c oughs> ใช่ค่ะท่านออแต่ว่าศีนแปดเนี่ยพยายามรักษาแบบตั้งใจมากๆจนจริงๆสามีก็อาจจะบนนิดหน่อยแต่กลายเป็นว่าพอเราไม่ทานข้าวเย็นแ่ะ เขาก็เลยไม่ทานไปด้วยก็เลยเหมือนจะดีต่อสุขภาพเขาไปด้วยอ่าปีตายไปเรากินนะปีกันมากเกินไปเราทั้งวันเี้ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าสามีเขาบอกก็บบเหมือนไม่มีเพื่อนทานก็เลยไม่ทานไม่ทานก็เลยน่าจะก็เหมือนแบบสุขภาพก็ดีขึ้นไปเป็นผลลอยได้อีกแบบหนึ่งด้วยอ่ะอืมนี่ก็ดีค่ะเมื่อกี้ฟังท่านอธิบายคุณคุณดิศยากับคุณแม่ มีความสนใจมิคเลยเลยเลยเลยพิ่งได้เหมือนความกระจ้านิดหนึ่งตอนที่คุณดิศยาเล่า ว, ว่าตอนที่เหมือนเขาจะถูกเหยียบตายแล้วเข้าพูดโทเพื่อหลบแล้วท่านบอกว่าจริงๆอันเนี้มันเหมือนเป็นการที่เราหลบความตายแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาในการดูหมายความว่าจริงๆผู้ที่หลุดพ้นจริงๆเวลาตายนี่คือท่านดูไม่หรอกครับเขาดูว่ารางตายมันต้องตายมันเป็นตายแล้วห้ามตายไม่ได้ ก็ปล่อยให้มันตายต่อหน้าต่อตาเราเลยดูดูเลยว่าเราจะหมดลมเมื่อไหร่ไปเลยอันนี้โยงเข้าใจผิดมาตลอดเลยเขาจะคิดว่าเวลาที่เราฝึกมาตลอดเนี่ยหมายว่ามานั่งสมาธิให้มีสติเนี่ยคือเวลาตายเนี่ยคือให้เรามีสติแต่จริงๆคือสิ่งที่ต้องใช้จริงๆคือปัญญาปัญญาให้เห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นหน้าตาเราไปควบคุมบางคับห้ามมันไม่ได้ แต่ถ้าใจเราไม่ยอมนิ่งเราใช้พุทโธช่วยให้มันนิ่งได้แต่ไม่ให้เข้าสมาธิให้มันเนิ่งเฉยๆให้มันรับความตายได้มไม่ไม่ได้ให้หลอกเข้าไปในสมาธิแต่ใช้พุทโธให้ใจรับรู้วางแบบวางเฉยให้ได้ อ, อันนี้อันนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเข้าใจผิดมาตลอดเลยค่ะน่าเลยค่ะก็ส่วนแล้ว กิ้ท่านพูดถึงรูปประคมงกับอารูปประคมงสภาวะตรงนี้มันเป็นยังไงคะรูปประชาชนรูปประชานเนี่ยเวลาเราเข้ารูปรูปประชานได้เราก็เป็นรูปประคองเวลาเราไม่มีร่างกายใจเราก็เป็นรูปประคมงไปเวลาที่เราเข้าอารูปประชานได้เราก็เป็นอารูปประคมงไปมันคนเราพบกันเป็นสามพบกามาพบก็พบของพวกที่ยังเสพกาม พวยเข้าฌานไม่ได้ก็ต้องเสีรูปเสียงกินเราเข้าไปเกิดการมาพบพวกเทพเนี่ยเป็นการมาพบเพราะวันนี้มีน้องในที่ทํางานถามว่าเอ้คลุมวันนี้มันคือศาสนาฮินดูไหมที่ว่าอะไรเงี้ยบอกที่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ศาสนาฮินดูไม่ไม่ใช่เพราะคลุมแบบนั้นคือศาสนาฮินดูกับพุทธมันมันก็มีอะไรคล้ายคลึกันนั่นสิฮินดูเขาว่าเขาก็เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเขาก็เชื่อในเรื่อง เรื่องรเรื่องเรื่องตายพมเหมือนกันทั้งสารวันรเหมือนกันคือไหนวะเขาไม่ก็ยังไปเห็นว่าใจนี่ยังไปอัตราตัวตนอยู่ค่ะอืมได้ค่าวันนี้ก็ได้ความรู้มากเลยอยากแชร์คุณดิศยานิดนึงเรื่องแต่งหน้าเดิมมีคนแต่งหน้ามากเลยนะคะแต่ว่าตั้งแต่ศิปลปนี่คือคือก้าข้ามห่าง <laughs> อืมแล้วก็อย่างที่ก็ที่จริงมีวันนึ่งที่อาจารย์ท่านสอนว่าคนเขาจะเชื่อถือเราจากการแต่งหน้าหรือว่าความสามารถโอ้โหแบบเหมือนกระจางขึ้นมาทันทีเลยมันเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ตอบคําถามในใจมากเลยท่านพยายามโยมเข้ามาหาเราเพราะหน้าตาเราหรือเปล่าใชไหมใช่ไหม <c oughs> ใช่เพราะหน้าตาเราเราต้องไปหาวิกมาใสหา่หาอะไรมาใส่ให้มันดูเก๋นะเท่ จะไมีแนขับเยอะๆเนี่ยนี้แต่เข้าใจว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะยากอะ่ะนั่นบว่าโยงก็แรกๆก็ยังแบบไม่แต่งแล้วถ่ายรูปออกมามันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าพอฟังพระอาจารย์มันถูกสอนมาตั้งแต่เด็กสังคมสังคมสื่ว่ารอบสอนว่าต้องสวยต้องงาถึงจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรใช่ค่ะก็ดีค่ะก็เลยเลยเหมือนแบบข้าก้าวข้ามได้ ไม่ได้แต่งหน้าทุกวันแล้วตอนแรกๆก็ยังแบบกังวลเหมือนคนดีิสย์เลยว่าลูกทีมจะรู้สึกยังไงเนี่ยแบบว่าดูเราไม่น่าเชื่อถือไม่เนี่ยดูอย่างเงี้ยแต่ว่าพอก้าวข้ามข่านได้แล้วจริงๆอ่ะก็ก็ได้ไม่ได้ไมีปัญหาอะไรมาทำไดไ้ลองดูค่ะ น, น้องๆบอกว่าหน้าเด็กพี่หน้าเด็กยังไม่แต่งหน้า<ด> <laughs> นะจะติดอีกเลยก็ อาม น, นี้กาว่าใจเา น, นี่ยก็ใจเมื่อก็มีสัจจะไว้ครับ่ะมันยังคงไม่ได้ทาในการตั้งสัจจะไว้มันก็ดีครับมันมีตัวคอยบีบบังคับเราไม่ให้ทะเลทลายเหมือ้า น, นูน้างนี่หมดล้มเลี้ยวว่าหมดเลยคนที่เหนื่อยพวกนี้มีทุระ <laughs> มีเรื่องงานตลอดเวลาจริงอกิเกลียพวกนั้นคงเป็นเรื่อกิเลสใช่ไหมคะอาารใช่กิเลสมันจะหาเหตุอยู่เนี่ยหนาวกันไปร้อนกินไป หิวกนไปอิ่มกนไปปฏิบัติไปนไสทีแต่ถ้าเราตั้งสัจจะแล้วเหตุทั้งหลายล่มไม่หมดเลยเอตที่จะมาล้มการปฏิบัติเรานี้ล่มไปหมดเมลยถ้าเราตั้งสัจจะเล้อือใช่ค่ะก็ะะรักษาสัจจะพยายามที่สุดค่ะ<ด>คุณอาจารย์ดีดีใจ ท, ทุกคนถึงว่าการเข้าภาษานี้สําคัญแล้วถือสัจจะกันทําในสิ่งที่เราอยากจะทํากัน แต่ค่ขนาดว่าลูกทีมทีมชวนไปนั่งโต๊ะส้มตำกินข้าวเย็นโยงก็โอเคไปเป็นกำลังใจแต่นั่งเฉยอ เ, เอาสักหน่อยไม่บอกไม่ได้หรอกตั้งเสร็จจจไปแล้วว่า <c oughs> แอนอันนี้ถ <c oughs> าย่าทุกคนก็นั่งกินแบบอร่อยมากตอนนั้น <c oughs> ยงยงก็โอเคอ่ะเป็นกำลังใจไปจ่ายเงินให้เขาท่านนี่จิตใจเราเครมยดแทนบอสมควร อันนี้ก็เหมือนแบบทดสอบจริงๆว่าเอาได้ได้ไปไปไปดูซิว่าเราจะแบบเราจะเข้มแข็งแล้วก็ยึดในสัจจะที่เรามีได้ไหมถ้าแบบทุกคนกินต่อหน้าเราอย่างอร่อยอร่อยมากพอเราทําได้เราจะรู้สึกโอดีใจหวังว่ามันรู้สึกว่าดี ใ, ใจภูมิใจภูมิใจในกับความสามารถของเราคือเือแบบเราเร า, เราทำมันได้นะเราไอ้พวกนี้มันเป็นแค่กินเหล่จริงๆคือเราไม่ได้หิวเพราะถ้าเราจะกินเนี่ยแสดงว่ามันเป็นแค่ความอยากจะกินกับเขานั่นแหละ นเห็นมันเห็นถึงกระบวนการความคิดอย่างเงี้ยค่อนข้างชัดเรามีสัจจะตรงนี้นะครับเนี่ยโอเคปฏิทัดนต่อไปนะคุณมาลีมาลีมันีมาเลยหน่อยมาีอุตสากาเรื่องงานอะรค่ะ้หลวงพ่อค่ะโหลังโดีมากเลยค่ะหลวงพ่อเนนั่งนั่งเข้าแบบโห้ดีดีมากเลยค่ะหลวงพ่อพอถึงเวลา พอถึงเวลานี้ต้องแบบต้องรีบรีบเข้าเลยค่ะหลวงพ่าถึงเวลาเขาจะเตือนเข้าปุ๊ดีมากดีาก่าค่ะหลวงพ่มีความสุขเข้ า, าได้ไม่มีค่ะหลวงพอ่อปฏิบัติเต็มที่ค่ะหลวงพอ่อทำไปเรือ่อยคอยกําจัดความโลภความอยากต่างๆนะค่ะหลวงพอ่อ หลวงพ่อขอนิดหนึ่งก็ได้ค่ะเมื่อกี้ที่หลวงพอ่อเอ่อที่ตอบคุณหมอวิเชษไปอ่ะค่ะที่ที่กรรมกรรมสามทางตายวาจาใจอันไหนมันวิบากมันจะหนักกว่ากันนะคะหลวงพอ่ออ๋อมันตัวเดียวกันนะ่ะตัวใจเนี่ยเป็นตัวรับวิบากกายวาจามันเป็นเพียงแต่เครื่องมือมันไม่ได้เป็นตัวที่กระทําจริงๆตัวที่กระทาจริงๆคือใจ เหมือนกับเวลาเรามีดเนี่ยเอามีดไปฟันคนเยไปแทงคนเขาไม่จับมีดไปขงัขงคุกขังตารางใช่ไหมว่าจากคนขังคนที่ใช้มีดก็คือตัวคิดตัวที่สั่งวความคิดเนี่ยสั่งสงแล้วก็ต้องมีการกระทําด้วย<ฆ>สั่งให้ฆ่าแล้วก็ไปฆ่าเขา<ฆ>ถ้าสั่งเฉยๆแล้วไม่ได้ฆ่าเนี่ยก็ยังไม่เป็นกรรมยังไม่เป็นกรรมเป็นอกุศลอยังไม่มีผลมันยังไม่ส่งออกไปนะลก เป็นเด็กคิด จ, จะฆ่าเขาแต่ไม่ได้ค่าเขาเนี่ยังไม่เป็นกรรมที่จะส่งเราไปนรกได้ต้องไปค่าเ้าก่อนอันนี้จะส่งคนนี้เราไปนรกต่อไปแล้วก็มีเจ้ากรรมนายเวรคือเขาจะมาล้านแค้นเราต่อไปด้วยคือถ้าถ้ายังไม่กระทําออกไปก็ ก, ก็ยังยังไม่มีเจ้ากรรมยังไม่มีเจ้ากรรมนายเวร ย, ยังไม่มีนรกตามตามตามา แต่ก็มีความไม่สบายใจมีแต่ครับร้อนใจรุนร้อนใจก็คือทุกข์ที่ใจอย่างเดียวไม่ว่าจะทำออกไปหรือว่าแค่คิดยังไม่เป็นไม่ยังไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นยังไม่เน้นเราก็ใช้สติพุทโธพุทโธระงับไปนึงใช้เมตตาให้อภัยเข้าไปนึใช้ปัญญามองว่า เวลาเราก oid นี่เราทุกมาสร้างคามุ้กข์กับตัวเราเองพ็จะถ้าพูดถึงมีมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะผมพ่อก็จะจะคิดว่าเราไม่ควรจะไปให้ค่าเราต้องรักษาใจเราไว้ไม่ควรไปทําสิ่งที่ไม่ดีดอะค่ะถูกต้องถูก้องจะหมายสละทระัพย์ยละวิาแม้แต่ชีวิตใค้สละไปเพื่อรักษาใจเราตัวเดียวเนี่ยค่ะนักธรรทําคือความสุบ เขาคิดได้แบบเนี้ยหลวงพ่อมันสบายมันมันเรื่องตัดมันปล่อยางอะไรทำอะไรเรื่องของเขาไปค่ะอะไก็จะดีอจะเชื่อใครก็จะดูถูกดูแคลงเราก็เรื่องของเขาไปเขาเขาจะว่าเราหรือว่าเขาจะทําทั้งกิริยาท่าทางคําพูดอาการทุกสิ่งทุกอย่างเราเราก็ไม่ต้องไปรับเขามาอย่าให้ข้าอย่าไปให้ค่า การกระทำของเขาเรารักษาใจเราตัวเดียวให้คือท่ากับใจเราที่สุดสำคัญที่สุดพอใจไม่ทุกข์ก็สบายจีวรเจ้าบอกให้สละทรัพย์สละอาวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมก็คือใจเนี่ยธรคือความสงบเข้าใจแล้วค่ะ โอเคนะอาจารย์ขอบคุณค่ะหลวงพ่ออาจาทุกค่ะคนที่3เอลเอไปไงโดนว่โดนพายุเยอะไหมฝนตกเยอะไหมไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์ขาดหมดแล้วค่ะตอนนี้ร้อน่ร้อนค่ะแต่ตอนนี้ตอนเช้าไม่เท่าไหร่ค่ะเจ็ดโมงเช้ายังไม่ร้อนค่ะแต่ว่ากลางวันนี่ร้อนมากค่ะตอนนี้เก้าสิบเมื่อวานเก้าสิบแปดมา่ะโอ้เก้าสิบแปดใช่นะ เหมัอนเมอกนค่ ะ, ะ, ะก็ก็ลูกก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์อืก็ไม่มีคําถามค่ะวันนี้ปฏิบัติเข้มค้นเหมือนเดิมค่ะโอเคยังไปที่ทัดต่อไปเลยนะค่ะกลับนมัสการค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์คุณโอภูเก็ตโอภูเก็ตโ อ, โอได้ยินไหมคุณโอ น้ำก ล, ล, ลอมนักวัฒการพระอาจารย์เจ้าค่ะอว่ามาเลยได้ยินเสียงไหมเจ้าคะวันนี้ได้ยินเสียงไหมเจ้าค่ะไม่ยินไม่ยินว่ามาเลยขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์คืนนี้ช่วยเตือนสติหลายเรื่องเลยเจ้าค่ะแต่ไม่ได้ตีแฟนนะ เ, เจ้าค่ะพระอาจารย์ ลูกไม่ได้ไปตีมแฟนนะเจ้าคะ่ะแค่ปรับความเข้าใจกันเฉยๆเจ้าค่ะก็ดีธรรมะทำให้เรามีการย้ำยังชังตัวก่อนที่จะคิดก่อนที่จะพูดจะทำอะไระทีนี้รูกมีคำถามจะถามพระอาจารย์สั้นๆสองเรื่องเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะตัวสักด์แต่ว่าเจ้าคะ่ะก็คือว่าคือยินอยู่เหนอรู่<ม>้ยินอยู่ใช่เจ้าค่ะ คือมีอยู่เห็นอยู่แต่ว่าเหมือนไม่มียูแบบนี้ใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์ดูเพิ่เฉยๆอย่าไปปรูแต่งว่าเขาว่าเแล้วก็ไม่ดีกับเราเขาอะไรกับเราไม่ต้องไปคิดเฉยๆเลยเจ้าค่ะออีกคําถามหนึ่งเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าคะเวลาที่ปัญญาเขาทํางานนะเจ้าค่ะลูกควรจะแตะเบรกไหมเจ้าค่ะหรือว่าปล่อยให้เขาใช้คิดของเขาไปก่อนอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์กแล้วแต่ว่ามันเป็นปัญญา ในทางไหนทําให้เราเอามาใช้หนับกี่เลยหน้าเปล่าได้เใช่ค่ะอาจารย์เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนพอเราพิจนารณาอะไรอย่างงี้เจ้าค่ะอาจารย์มนันจะไปต่อของเขาได้เรื่อยเ ร, ร, ร่อยเลยมิเจ้าค่ะอาจารย์ก็ต้องดูว่ามันทำให้ฟุ้งซ่านหรือเปล่ามันทําให้เราเราฟุง้งหรือว่าเราไม่ได้ไม่ได้ความสงบหรือเปล่า ถ้าเป็นปัญญาที่เลยแถิมันจะทําให้เราฟุง้งถ้ามันไม่เลยแถิมันก็ยังทําให้เราเน่งอยู่แต า, า<ะ>มันเริ่มฟุง้งมันมั น, มนหยุดมันเจ้าข้าพารย์ลูกลูกลองแตะเบรกด้วยการที่ว่าไม่พูดโทดูเจ้าข้าพาจ้าลองยิ่งยิ่งคือหยุดคิดทุกอย่างหนยได้ไหมครับเหมือนจะได้ผลอยูน่นะเจ้าข้าพเจ้าถ้ า, ถ, าถ้ามีสติมากๆก็ไม่ต้องพูดโทพอคิดก็อยูุ่ดมันปับ๊บอย่าปล่อยให้มันคิด กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะนักข่าวของเจ้าค่ะคืนไม่มีเท่านี้เจ้าค่ะพี่ได้มีเยอะแต่เก่งใจยาิที่ถามนักอื่นเจ้าค่ะอาจารย์เดี๋ยวให้คนอื่นได้ถามไว้เจ้าค่ะโอเคใหที่ันโดนะเดี๋ยเปลี่ยนชื่อนะชั้นโดแต่ก็เปลี่ยนตั้งนานแล้วครับอาจารย์นะไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนในโซมเพราะว่าปกติเวลาเข้ามากดลิงก์เข้ามามันก็พาเข้ามาเลยครับอาจารย์ไม่ทันได้เปลี่ยนอะไเลยค่ะ ปัญญามีไงบ้างปัญญาอ่ า, าอยัก็ตามก็มาเนี่ยแหะคะอ่านี <c oughs> ก็ก่อนจะกดลิงก์ก็ไปเกิดปอดซูมก่อนแล้วเปลี่ยนชื่อได้ไมตั้งชื่อก่อนไงครับวันนี้ก็เลยเข้าแบบใส่รหัสครับไม่ได้เข้าแบบกดลิงก์ก็เปลี่ยนชื่อได้ครับอืมก็<ๆ>ไปเปลี่ยนชื่อโดยที่ไม่ต้องกดหรหัสก็ได้แล้วค่อยมาเข้ากดได้ก์อีกทีหนึ่งได้ครับพอไปในซูมก็ไปที่เซตติ้งเปลี่ยนชื่อ ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวจะไปแก้ไขครับผมตอนนี้ก็ทำถูกวันนี้ก็ทำถูกครับแต่รอบนี้เข้ามาแบบใส่รหัสเข้ามาครับอาจารย์กดลิงก์เข้ามามครับอาจารย์ก็คุณยายก็วันนี้เดินมาหาผมแต่เช้าเลยแล้วบอกวันนี้เดี๋ยวจะไปเจอหลวงตานะหลวงตาเดี๋ยวเจอหลวงตาผมก็งงหลวงตาหน่อ แล้วแล้วเสร็จแล้วพอบอกอเข้าอะไรสองทุม่มมาสองทุม่มผมก็เลย อ, อ๋อสู่พระจารย์ก็เลยพาคุณยายเข้ามาครับวันนี้ไม่มีคําถามอะไรแต่มากราบพระจานทร์ครับออันนี้เปิดเทอมไม่ยังเปิดแล้วครับพระจานทร์เรียนหนักขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยครับ น, นี่อยู่เชิงไหนนะถ้าเทียบกับโรงเรียนไทยผมอยู่มสามครับอาจันทร์ัสามเจ็ดเก้าเลย อยู่เยีเป็นเยียครับผมอาจารย์เยีสิบครับผมเยีสิบนะครับแล้วก็ปีนี้เหมือนเขาเตรียมตัวจะเข้ามาหาลัยดูว่าชอบแนวอะไรอะไรนี้<ม> <c oughs> เรียบร้อยก็ <c oughs> <c oughs> เราก็พยายามครับผมเพราะว่าส่วนตัวอยากเป็นหมอม <c oughs> แล้วปรากฏว่าตอนแรกเราก็คิดว่าอ๋อเราคงเป็นแบบคนส่วนน้อยมากที่อยากเป็นหมอ ถ้าเทียบกับการสอบแบบของโรงเรียนนินเตอร์ปรากฏว่าครึ่งชั้นเกินครึ่งชั้นอยากเป็นหมอเราเราบอกเขาเดี๋ยวอยากเป็นหมอใจหมอใจมีคนเดีย ว, วเอจะไปบวชไงหมอใจนี่ไปบวชรับรักษาใจไม่ดีก่าเลยเอาให้สามารถรักษาได้ทั้งกายทั้งใจเลยครับแพทย์ถ้าเป็นหมอใจจะรักษาได้หมดกายก็รักษาได้ด้วย รักษาโดยปล่อยวางไงหัวใจจะปล่อยวางร่างกายรักษาโดยการปล่อยวางมันจะตายก็ทั้องต้องห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บก็ห้ามมันไม่ได้ไม่ต้องไปรักษามันทำไให้เสียเวล า, วาหมอใจหัอใจงั้นคงไม่ไม่ต้องเรียนแล้ว <laughs> เป็นได้เลย <laughs> สามารถเปิดคลินิกได้เลยครับไม่ไม่ต้องเรียนต่อแล้วไอ้มาหาเก็บอกมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปรักษาเดี๋ยวเรถ่ายแล้ว เดี๋ยวมี ม, มีอ่าคนไข้มาแล้วก็บอกเลยครับบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเราไม่<อ>สามารถทําอะไรได้เป็นอนัตตา<อ><อ>แล้วก็ให้คนไข้ต้องานไปหายเจ็บเลยหายทุกเลยไม่ไดีเลยพระอาจารย์ได้ครับงั้นเดี๋ยวจะเป็นคู่กู้กันไปแล้วกันครับพระอาจารย์ ถ้าเป็นหมอใจแล้วไม่ต้องไปเรียนหมอกายเสียเวลาคราวนี <c oughs> ้เป็นอะไร่ไดี๋ยวถ้าไเรียนหมอกายยังต้องมาบวชอีกเนี่ไม่มีไม่มีหมอบาคนเนี่เกษียณแล้วยังต้องมาบวชเป็นพระมาเรียนหมอใจต่ออาจารย์ยแล้วเราสามารถอยู่ในรูปแบบของคารวาสแต่เราก็เป็นทั้งหมอแล้วก็ หมอกายแล้วก็หมอใจไปพร้อมๆกันได้ไหมครับอาจารย์อยู่ทำไมล่ะเป็นท้าทุกอย่างฟรีหมดเป็นการาาเอรรู้สึกเหมือนถูกกำลังแบบบีบให้บวชก็ได้ครับอาจารย์ก็ถ้าเหตุปัจจัยพร้อมก็จะบวชครับไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรับปากเราพูดเป็นเป็นข้อเสนอนะเป็นเป็นเป็นเป็นแนวทางสอนแนว พูชี้แนวท่านึ่งเป็นครูแนะแนวที่ครูแนะแนวแล้วแต่เราไม่ได้บังคับให้มาจะต้องมาสัญญุงสัญญาอะไรของเราเนี่ยเพราะถ้าเราไม่พูดก็ไม่มีใครพูดใช่ไหมแนวนี้แหวกแวกแนวที่สุดเลยครับได้ครับผมพระอาจารย์ก็เดี๋ยวยังมีเวลาอยู่ครับจะขอขอกลับไปพิจารณาโอเค ครับใจคุณยายสบายนอยู่ไปงานรนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคายข้าราชารัดทัดแข็งแรงครับใครที่น้องแนนน้องแนนอยูอุดรธานี่าควกนะแฟจไม่มีคำถามค่ะไปน้ำอมต่อบอกชนช่วสค่ะน้อมค่ะน้ำมัสการค่ะไม่มีคำถามค่ะ โอเคคุณหมอสุทธาสเรปรทุมธานีนรัศ ก, การาพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามค่ะโอเคอย่างแบบที่คุณจิ๊บเลยแมรวิแลนด์วันนี้ต้องไปเร็วๆหน่อยเนื่อวเวลาไม่พอกรับนรัศ ก, การเจ้า่พระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะเจ้าคับโอเค ค่ะพอดีโยมก็ไม่มีอะไรค่ะแค่แบบรู้สึกว่าเมื่อคืนมีเรื่องทุกข์มากระทบใจก็เลยแบบเออตกอารมณ์ตกไปบ้างประกอบกับหลายๆเรื่องรวมกันเลยก็แบบโอ้มเมื่อช้ายัางนึกคิดพระอาจารย์บอกให้ที่ถึงตายรักตายตายรักเธอตายรักของเรามันหายไปไหนหมดแล้วใช่แล yeah. ้สเตสเตหายตายรักหายโยมก็แบบโอเคโอเคมันทุกข์ม่อีกแล้วเออนี่ก็มันก็ไม่ใช่ทุกครั้งแรกของเราเนอะ เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ทุกเนอะยมก็แบบโอเคอ่ะต้องฟังพระอาจารย์ให้บ่อยๆต้องมีสติมีสติยมก็โอเคค่ะก็เลยดับดับลงไปได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ก็มีประโยชน์นะเข้ามาห้องสูงนี้ก็ได้ในประโยชน์คเวลามีความตึจะได้มีแรงเตือนสติเตือนใจใช่ค่ะก็ฟังท่านอื่นๆแล้วก็ฟังพระอาจารย์ได้ยินเสียงพระอาจารย์มันก็เหมือนแบบ เหมือนใบไม้เคาะหัวเออเคาะหัวหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นพรทุกทุกอาทิตย์ของโยมเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณนะเจ้าค่ะวันนี้โยมไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะโอเคครับค่ะสาธุสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ลูกไม่มีคําถามค่ะเดวิดก็ฝากกราบท่านอาจารย์ปรนชองเต้เหมือนเดิมค่ะใช่ขอบคุณสวัสากขอบคุณด้วยนะ ท, ที่ที่ที่ทําให้แบบกระเจ่างูกก็ยังเข้าใจกับกคำนามเรื่องสติกับสมาธิเข้าใจว่าเวลาแบบช่วงความตายเนี่ยเวลาจะมาถึงเนี่ยลูกเข้าใจว่าเข้าสมาธิสติกับสมาธิเพื่อมาแยกออกเนะะี่ยค่ะคือใช้สติกสมาธิ<ม>อาจารย์ค้าม น, นิดนึงค่ะและพิจารณาไอ้ที่ว่าอาการสามสิบสองนะคะถ้าอาจารย์มันมัน เวลาดับการมารมอยากร่วมหลับนอนกับแฟนถ้าไม่อยากจะหลับนอนก็มองดูเขาเป็นซากศพแล้วดูการฐาเจ็บสองของเขาอ๋อค่ะแต่ไม่ได้ใช้ในในกรณีที่ว่าจะเกิดการตายในรัะ น, นี้คือใช้ใชการบำบัดอันนี้ใช้ดับการมารมเวลาเราถือศีลแปดแล้วแปนเขาเราเกิดการมารมอยากจะไปหลับนอนกับเขาเอย่างเงี<ม>้ยเราก็ใช้พิจารณาสุภาพแล้วมันก็ดับการมารมได้รักษาศีลแปลต่อไปได้ โอเคเลยค่ะเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุงงณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะโอเเป็นต้นโตพังงาอาารยมัศการเหรอคะอาจารย์อ่าค่ะก็วันนี้ไปหาหมอมาค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ก่อนอที่หมอบอกว่าต้องห่าตัดนะคะโยมหนูยังทําใจไม่ได้ค่ะก็เลยไปปฏิบัติธรรมที่วัดยานใช่ไหมค ะ, ะเพื่อจะจะเอ่อ เรามีอาการเรื่องกันกลัวเจ็บมาค่ะเราไม่อยากผ่าเราเลยปฏิเสธหมอไปค่ะทีนี้พอไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมพระอาจารย์แล้วก็จากที่ถามคาถามหนูหนูห น, หนูไปเดิน อ, อย่างมั่นใจเลยค่ะว่าจะไปรับการผ่าตัดพร้อมจะเอาร่างกายไปไปวางบนเขียงให้หมอผ่าค่ะแปรากฏหมอบอกว่าไม่ต้องผ่าใครทาคีมโมตอ่อ <c oughs> ค่ะพระอาจารย์ค่ะประทต่ อนาคตเราควบคุมบังครับไม่ได้สั่งไม่ได้ใช่ค่ะอาจารย์แต่หนูก็รู้สึกแอบดีใจอย่างหนึ่งว่าผมกับคิ้วหนูจะร่วงเหมือนเดิมค่ะหนูรู้สึกชอบทรงผมนี้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะ <laughs> หนูเครียดมากเลยค่ะตอนที่พอคีโมมันหยุดไปประมาณสีหสัปดาห์ใช่ไหมคะมแล้วพอคิ้วมันเริ่มขึ้นกับอาจารย์หนูเห็นในกระจกหนูก็เริ่มเครียดว่าอตาเรล้วขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้มันขึ้นเราอยากให้เป็นทรงเดิมของเราอยู่อะไรอย่างนี้ยค่ะพอาจารย์เออ ก, ก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีของคีโมค่ะ แล้วก็วันนี้หนูไปเจอเพื่อนมาค่ะพระอาจารย์เป็นเพื่อนที่สนิทแล้วก็เป็นมะเร็งเหมือนกันแต่ตอนนี้คือเหมือนมันลา ม, มาค่ะอยู่ในระยะแบบสุดท้ายที่จะอยู่ได้ไม่นานนะคะหนูกจะกล่าวถามพระอาจารย์ว่าหนูก็หนูก็ยังไม่มีปัญญาที่จะไปสอนนะนะคะแต่หนูแค่ให้คำแนะนําเพราะว่าเอตามที่ฟังพระอาจารย์คือเกิดแก่จะบตายเป็นเรื่องปกติหนูบอกว่าทุกคนต้องตาย แต่ถ้าเราไม่เจ็บป่วยอ่ะมันก็จะไม่มีเหตุปัจจัยให้เราต้องตายเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องปกติหนูบอกแบบนี้ถูกไหมคะพระอาจารย์ถูกถมันไม่จะไม่ไม่เจ็ บ, จบป่วยก็ตายได้ค่ะบันทีค่าตัวตายก็มีไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรในใจใจทุกข์อะไรยางตายได้ค่ะแล้วก็หนูก็คิดว่าหนูหน่าจะไม่กลัวเรื่องการเจ็บแล้วอ่ะพระอาจารย์แต่ปรากฏวันนี้หมอตรวจร่างกายอะคะ่ะแล้วหมอน่าจะตรวจ ร่างกายหนูจนหนูหนูหนูเจ็บขึ้นมาค่ะอาจารย์หนูก็ร้องรั่นเลยค่ะแสดงว่าหนูยังกลัวเจ็บอยู่หนูว่าหนูแค่รู้สึกเจ็บคะพรอาจารย์ก็หนูต้มเหมวจนหนูเองหนูกลัวเป่าถ้าหนูกลัวถ้าไม่กลัวมันทําไปลั่นไม่ทําไมหนูอยากให้ให้หมอหยุดเพราะว่าหนูเจ็บอะค่ะพระอาจารย์ก็แสดงว่ายังกลัวใช่ไหมคะกลัวเจ็บเนี่ยหนูต้อง ต้องหาบททดสอบอื่นต่อคถ้าอย่างนั้นยังกลัวอยู่แสดงว่าลวกลัวก็เฉยๆมันจะเจ็บยังไงก็ปล่อยมันเจ็บไปเราใช้สติคุมได้ไหมคะถ้าแบบนี้ไ ด, ได้ใช้พุโทโธพังพุโทโธพุโทโธไปแต่เราก็ยังไม่มีปัญญาที่เราจะกลัวเจ็บแบบจริงๆก็คือต้องใช้<อ>กใชก็บอกต้องยอมแล้วความเจ็บมันก็เป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้ค่ะมันจะเจ็บก็ป่อยมันเจ็บไปค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะถามพระอาจารย์ค่ะเรื่องการฝึกจิตนะคะ การสุดจิตก็คือเหมือนเราอ่ะปรับปรับวบภูมิจิตใจเราในขณะที่เรายังมีร่างกายถูกไหมคะคนหนึ่งเราทิ้งร่างกายจิตเราก็จะอยู่ตามภูมิที่ที่เทียวเราได้ได้ดูไว้ใช่ตอนเย็นเราไม่ได้ปรับภพบภูมส่วนใหญ่เราปรับปรับความทุกข์มาปรับปรับจิตเพื่อดับความทุกข์ในจิตของเราอันก็จะได้พบภูมิตามตามผลที่เราได้ถ้าเราใช้สมาธิดับได้เราก็เราก็จะไประรรค์ท่านพรม ค่ะเรา<อ>ใช้ปัญญาหยามได้แล้วก็ไปสวรรค์ชั้นพ้าอริยะค่ะทีนี้คือบางความเข้าใจของคนก็คือเหมือนสร้างวิมานวิโรตั้งแต่เรายังมีร่างกายไอ้นี่คือความเข้าใจทั่วๆไปคือแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ทำบุญถ้ า, ถาในทางกว้างกวางทบงุญใส่าบาปนี่ก็สร้างสวรรค์ชั้นเทพนะค่ะอาจารย์ถ้าบาปก็ไปสร้างสร้างนรกมาไว้เหมือนกันค่ะ แล้วก็อีกเรื่องสุดท้ายที่หนูอยากถามพระอาจารย์ถาะเรื่องธรรมะกับการทําธุรกิจค่ะพระอาจารย์<ม>คือเวลาเราทําธุรกิจนะคะบางทีเราก็จะมีการโดนเอาละดอกเปรียบบ้างอย่างเงี้เหมือนเราเดิวกับลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตั้งแต่หนูไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ก็คือเหมือนพระอาจารย์สอนว่ายอมหยุดเย็นนะคะบางทีเรารู้ว่าเราโดนเอาเปรียบใช่ไหมคะมเราบางทีเราก็ยอมให้โดนเอาเปรียบเรารู้สึกว่าเราหยุดเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปดีกว่า ก็รู้สึกว่ามันคุ้มกับการที่เราเสียดแล้วเราได้ความสบายใจกลับมาค่ะพระอาจารย์ใช่รรพระเจ้าอวยชลาทรเพื่อรักษาจิตเพื่อรักษาความสงบค่ะก็ก็คิดว่ามันมันคุ้มค่ะแต่เมื่อก่อนนี่คือถ้าเราไม่ผิดเราก็จะต้องแบบต้องไฟต้องสู้ต้องแบบใช้เหตุผลทุกอย่างเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้ผิดนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ยอมแพ ย, ยไปเบาๆเพื่อไปเบาๆใช่ค่ะใช่ตอนนี้คือใครอยากได้แล้วก็เอาไปเลยค่ะอ่าวนนนนัั้ ปล่าง่ะก็เหลือความเจ็บนี้รักษางแค่นี้ก็ไม่สนพอเจ็บก็เฉยๆไปทําใจให้รู้เฉยๆไปถ้าไม่ยอมเฉยก็ท่องพุทโธพุทโธไปค่ะตติไม่อยู่ด้วยหละอกแต่ไม่เข้าไปในสมาธิไม่ได้เข้าไปแบบให้ความเจ็บหายอ่าให้ความเจ็บมีอยู่แต่ใจเฉยรับกรรมันให้ได้ไม่หนีใช่ไหมคะอาจารย์การเข้าสมาธิการหนี อ่าแต่เราใช้สติให้มันอยู่ให้มันรับรู้อยู่เฉยๆได้แล้วก็การสู้อ่าการสู้กัรงับสู้นีคค่ะรอาจารย์เดี๋ยวหนูจะเอาไปปฏิบัตินะคะยังตกอยู่ค่ะเดี๋ยวขอสอบอีกรอบค่ะเราต้องเห็นด้วยว่ามันเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันจะมาจะไปเราห้ามบังคับมันไม่ได้มันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่มันจะไปก็ปล่อยมันไป อ่าแต่อย่าไปยากทำมันนั่นค่ะน่าจะมีความอยากให้ไม่เจ็บก็เลยอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันหายใจมันก็เลยเครียดมันก็เลยทุกข์ขึ้นอ่าที่มันถือไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บมันความทุกข์ใจที่มันเกิดจากความอยากค่ะพระอาจารย์หนูต้องไปฝึกปฏิบัติค่ะแต่เรื่องเรื่องตายเรื่องกลัวตอนนี้คือยอมแล้วค่ะพระอาจารย์แต่เรื่องเจ็บยังไม่ยอมก็ได้ แสดว่าจริงๆแล้วก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคุ้มค่ะคุ้มค่ะเป็นมะเร็งท้งนี้ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆค่ะพระอาจารย์อบางทีมันต้องเจอไฟบังคับเนี่ยใช่ค่ะพระอาจารย์ได้ผมทรงใหม่หนูนี่แบบตอนไปวัดยาแหละค่ะมีความสุขมากเดินอย่างมั่นใจเพราะว่าบางทีเราก็เห็นแบบเออพระพระท่านก็ก็ทรงเดียวกันกับเราเราก็เออเราก็เออเราก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกการไม่มีผมมันมีความสุขมากค่ะพระอาจารย์ หนูเพิ่งค้นพบเองค่ะว่ามันมันมีความสุขกับอย่างได้นามให้ทุกคนโกนผมอะไม่ต้องสระไม่ต้องวีให้เหนื่อยมันจะติดใจและครับอาจารย์หนูหนูเครียดมากเลยค่ะพอเริ่มมีผมมีคิ้วนี่หนูหนูเริ่มวิตกพอรู้ว่าต้องขีโมเลยแอปดีใจว่โอ้ตายแล้วขนผมคิ้วฉันจะร่วงเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็มันโผล่ก็มาโกนมันได้มันกลัวอะไรไหมไม่ได้ตอนนี้ก็คือ แต่พอเวลาไปทํางานนะคะเราก็ยังอ้างได้ว่าอ๋อให้คีโมให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยนะะอาจารย์ไปไหนก็เจอลูกค้าก็ใส่หมวกเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าปกกรปรี่ก็ก็จะพยายามถอดหมวกมันที่พ่ออาจารย์บอกก็คือก็แค่ต้องรับมันให้ได้ไม่ต้องไปไออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้อายนะคะอาจารย์ชอบสบายตาเลใช่ใช่แนะนําทุกคนนะคะที่อยู่ในซูมนะคะถ้าลองดูแล้วจะติดใจเอย่างที่เราไปพูดแลยอย่างที่เราไปพูดว่าถ้าอยากจะวาดความ ความก้าวหน้าของการปฏิบัติทำว่ามากน้อยให้ดูที่ผมเราผม่ารยิงย่งสั้นลงก็แสดงว่ายิ่งก้าวหน้าหนูาหนจาคําที่พระอาจารย์สอนหน้าแล้วค่ะคํานี้ตอนที่หนูไปไปวัดยาแรกๆอะคะ่ะหนูก็ค่อยๆตัดเรื่อยๆตัดสั้นเรื่อยๆนะคะแล้วพ อ, อเป็นคีมโมก็คือมันร่วงเลยค่ะไม่ต้องไปตัดที่ใช่ค่ะใช่ใช่ใชค่ะ ก็วันนี้มีเท่านี้ครับพระอาจารย์โอเคจ้ะสู้ดังไปนะใจเราต้องซู้ใจเราต้องเฉยสู้ด้วยการวางเฉยนะค่ะพระอาจารย์ปล่อยวางค่ะหยุดเย็นยอมหยุดเย็นว่างการมันจะเป็นอะไรก็ยอมยอมมันเป็นไปมันจะตายมันจะเจ็บมันจะแก่ก็ยอมมันไปค่ะแต่หนูขอบรรลุสักแั่หนึ่งก่อนก็ได้กับพระอาจารย์ก่อนก่อนจะไปก็ใกล้แล้วเนี่ยใกล้ก็เสร็จเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ย ค่ะยอมยอมตายได้แล้ว น, นี่ก็ยามเจ็บต่อไปได้หนึง่งค่ะแล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือจะไปเป็นหมอใจค่ะพระอาจารย์ตอนนี้กาลังเตรียมชีวิตอยู่ค่ะหมอใจดีสุดใช่ค่ะพระอาจารย์ไม่อยากไปเป็นตอนมีอายุ่ค่ะตอนที่แข็งแรงเนี่ยควรจะเป็นหมอใจพอ อ, ออายุมากแล้วทาอะไรมันยากแล้วค่ะ อ, อจะได้ไปทาประโยชน์ให้กับคนอื่นต่อไปด้วยใช่ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้วางแผนอยู่ค่ะค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ มาที่รักเสมอคุณปุ้ยตามน้ำระสการเจ้าคาะวาจายังไงยังต้องแต่งหน้าทาปากอยู่่ะยังอยู่ยังอยู่ค่ะวันนี้ออกไป ท, ทาําธุระค่ะวาจานหนึ่งออกแล้วถือได้แค่สีนจิตไม่เราไม่เราไม่แต่งหน้าทักวันไม่ได้ดูเช่นดูว่ามันจะเป็นยั<ต>นมันจะตายหรือเปล่า วันพักกับวันโกนเนี่ยเ อ, อวันนี้วันนี้วันโกนคือมีความจําเป็นจริงๆเพราะต้องเข้าไปที่องค์การค่ะของรัฐบาลแต่ว่าเ อ, อพรุ่งนี้วันพักแบบจะปิดบ้านเลยแบบไม่ไปไหนแล้วจะปฏิบัติแปดข้อเลยกันไม่ไ ม, ไม่ถึงเราออกไปข้างนอกเดี๋ยวไม่แต่งหน้าทักวันไม่ได้เลยเดี๋มันจะเป็นมันจะตายเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวทดลองเดี๋ยวทดลองกล้ า, ามคล้าก่อนกัน <laughs> แต่โยมโยมก็ปฏิบัติแบบว่าสวดมนต์ไหว้พระอะไรแล้วมันเตินนะคะเวลามันหมดไปเร็วเหลือเกินมันหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแบบจะนั่งสมาธิแล้วก็ไปตาม u t u b e เออไปตามไปตามเอที่เขามีคลิปอะ่ะคลิปที่ ท, ที่เขาออนไลน์ค่ะอย่างวัดนูน้นวัดนี้วัดพระธรรมกายบ้างวัดหลวงธมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งสมาธิกับเขาค่ ะ, คะและ้วคือโยมรู้สึกใจมันสบายใจมันนิ่งและชอบมาทางนี้แล้วค่ะ ไ ม, <S <S <S ไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะจริงแต่ว่ามาเมื่อเมื่อเมื่อคือนเนี้ยเมื่อสองวันเนี้ยรู้สึกแบบมันมีคนมาพูดแล้วแบบว่าเอาเรื่องราวมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องตสยเวทย์ยศาสตร์อะไรอย่างนี้แล้วเรารู้สึกเราไม่อยากฟังเราก็เลยแบบขออนุ ญ, ญาตแบบถอยออกมาคุงจะไม่บาปนะฮะ <S <S ไม่บาป อ, อย่าไปให้หุดข้าวของไรสาระทั้นั้น ใช่แล้วแบบอีกอย่างหนึ่งคือเราก็บอกว่าขอเข้ามานะเราก็บอกเขาไปตรงๆแต่ไม่ลู้ไม่ไม่ทราบว่าเขาจะโกรธหรือเปล่าเราก็บอกว่าขอเข้ามานะเพราะว่าเราต้องลดลงาะว่เราไม่เชื่อแต่เราอย่าไปลบหลุมเขาใช่เราเราก็บอกว่ามันดีสําหรับคุณแต่ว่าเราไม่มีตาที่สามเราไม่มีตาเป็นสับลดแต่เราขอแค่นั่งสมาธิแค่ว่าให้ใจมันนิ่งเฉยๆและอย่างคือเราเอาแค่นี้ก่อนเออเราไม่เราไม่เอาทางลัด เราก็เราบเราเดินตามพระอาจารย์เราก็ไม่เอาคือขอเข้ามาเขาแบบก็ตัดสายเข้าไปเราแบบแบบเราไม่อยากไปฟังเรื่องริดเรื่องอะไรอย่างนี้คือคือเราเข้าใจอะ่ะในโลกทิพย์มันมเีเรื่องอย่างนี้จริงๆแต่ว่าเรายังเดือนอลยไ่ถึงขั้นนั้นไม่ใช่มไม่ใช่ทางดับทุกข์ใช่ค่ะ<ม>แล้วยมก็ไม่ได้ว่าปาถนาตรงนั้นด้วย<ม>แล้วยมก็ปาถนาเพียงความสงบเฉย แล้วก็นะการสร้างบุญบรารมีความสุขนี่ยความสงบนี่เป็นเป็นการเป็นการสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงยิ่งค่ะยมเชื่อยมเชื่อมากเลยโยมทุ่มเทแบบทุ่มมากทุ่มเทมากแล้วแบบเรารู้สึกแบบว่าพอไปฟังแล้วแบบเรารู้สึกใจมันขุ่น ม, มันเหมือนมีอะไรมาติดหัวใจเราและมันทําให้การนั่งสมาธิของเรามันแบบ รู้สึกมันไม่ใสอ่ะแล้วเราก็เลยแบบว่าบอกปัดไปแล้วก็มาบอกเขามาบอกกับพระพุทธเจ้าว่าขอเข้ามานะคะคือไม่แช่ว่าเราอยากจะไม่รักฟังคำพูดของเขาแต่เพียงเพราะว่ามันคนละจริตอ่ะออฮะทางทางมันหทางใครทางมันจริงค่ะจริงค่ะออย่างเราเรารู้สึกแบบแล้วมันมันมันรู้สึกมันไม่ดีด้วยมันเหมือนกระแสอะไรก็ไม่รู้อ่ะแหละมันเหมือนจะมาตก ก็ไม่ใช่ทางของเราก็แล้วกันบอกเข้าไปนะมันต้องเป็นเก่งใจในะนะโยมก็ไม่มีอะไรก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอ่าเ <c oughs> นะี่ยแหะพยายามลองต่อสู้กับความสวยงามในสักวันไม่ต้องให้มันสวยอย่าตายไหโยมก็เริ่มเริ่มจะแอคทีฟเนขึ้นมา อ, มอีกแล้วแบบว่าพอมันเหมือนมีกำลังแรงขึ้นยกตื่นขึ้นมาตีสองมานั่งสมาธิอย่างเงี้ย มันมันก็บอกว่ารู้สึกแอคทีฟและอยู่ๆนะพระอาจารย์มันเป็นอะไรบางวันมันก็จะขี้เกียจเดี๋ยวบางวันมันก็จะแอคทีฟเราต้องตั้งสัจธาไว้เหมือนกันมันขี้เกียจก็ต้องทําใช่แต่ขี้เกียจของโยมเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าตื่นสายแต่ว่าโยมก็ทําทบท์ไหมทาทบท์ไปแต่ไม่ลืมไม่เคยลืมสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิสี่เวลาห้าเวลาของโยมเนี่ยโยมทําตลอดขี้เกียจขยันมันก็เป็นอนิจจังมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เป็นธรรมธรรมด า, ดาอมโอเคนะ ม, มีอะไรไหมไม่มีค่ะอเคจมมีกาตอนี้กาจะควยจะออกกันนะรุ่นดีๆนะพระจาโยมกลัวเลยไม่กล้าไม่กล้าหงอพลเลยนันก <laughs> ็ไม่กล้าให้เหมือนกัน <laughs> ๋ยวกลัวมา <laughs> อขอให้พระอาจารย์อ่ะสุขภาพทาตขันแข็งแรงนะคะโ <laughs> ยมมากับ ข อ, อพระคุณพระอาจารย์แล้วก็มาถวายบุญกับพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะขออย่งยอางพูดอดทนจากความทุกข์เร็วๆนะสาธุเจ้าค่ะอาสาธุไปที่โซล่าคุณก๊อฟยังทํางานอยู่หรอครับใช่ใช่ใช่ครับพระอาจารย์ก็ครับเ ม, มื่อกี้ทางานเมื่อทํางานเสร็จครับต อ, อ็คิดถึงพระอาจารย์มากครับ ไปเราซ้อที่นี้ก็ไปขึ้นเวทีมาก็วันมาเลยไปวันมาเล ย, ไ ม, เยไม่ใช่ครับ อ, อยู่ที่นี่ครับยังไม่มีโอกาสที่รับปากไว้แต่ยังไม่มีโอกาสครับก็ใช้หลักธรรมะตัดสินอะไรเงี้ยครับว่าเรื่อยผมเขียนมาว่าคนอื่นก็อาจจะมองว่าเรามีความทุกข์แต่เราเราก็ทุกข์จริงๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าทุกข์แล้วโล่ ง, ลงๆว่างๆเหมือนใจได้รับความรู้สึกจากใจที่แบบว่าเราใช้ธรรมะ กับโลกเนี้ยใช้ธรรมะเป็นเกณฑ์ตัดสินวัดมันพอมันผ่านพ้นมันก็รู้สึกสบายใจอ่ะครับเหมือนเป็นวิบากกรรมเหมือนที่พระอาจารย์บอกครับก็พอมาณันมันมันหลายกอย่างครับยอยอมรับสภาพของเราไปใช่เรารู้ตัวเองแต่ว่าเรารู้สึกใจเราแบบมันได้ขัดเกลารึปเรื่อยๆมันรู้สึกแบบพอพอผ่านเรื่องแต่เรื่องรู้สึกว่าเรารู้สึกข้างในรู้สึกแบบ โปรงโล่งสบายไปมันมีเยอะอยู่ครับส่วนเรื่องที่ติดก็จำได้ทุกเรื่องครับก็พอาจารย์บอกว่าให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้แล้วก็เนี่ยอีกข้อนึงครับก็แต่ตอนนี้ความทุกข์อ๋อมันจะเป็นที่แบบท่าไม่ทำงานเราเราจะรู้สึกทุกข์นะครับ เหมือนเรามีความสุขกับการทํางานแล้วก็ให้ผลได้ชื้นชอบผล ง, งานของเราเราทํางานด้วยความมุ่งมั่นสาหัสและไม่ เ, เปรียบใครอย่างเงี้ยครับแต่พระอาจารย์ก็ตักเตือนแล้วว่าเออถ้าลูกค้าเขาไม่มารับผิดชอบเราแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับเราทํางานที่แบบลูกค้าเขาแอปผู้ไปแล้วข้อความมันผิดตัวหนึ่งเราพิมพ์ผิดเป็นพันพันกว่าชิ้นอย่างเงี้ยแต่เราก็โดยใช้หลักคมว่าเออเราจะโทษลูกค้าไม่ได้เราก็รั บ, ร, บรับมาทั้งหมดนะครับเราก็ เราทําให้เรามีความฉลาดขึ้นมากกับการทํางานครับอช่เราต้องรอบคอบสติมากขึ้นครับแล้วเรื่องภาวนาก็คิดถึงหลวงปูเนธคิดถึงเรื่องการภาวนาก็เราภาวนาดูครับแต่ว่าเนื่องจากทํางานเยอะการภาวนาก็ไม่ดีครับแต่เรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องธรรมะที่เอามาใช้ตัดสินปัญหาแล้วก็ปลดเปลี่ยนปัญหาต่างๆกับโลกหรือว่าสอนน้องทีม ง, งานที่มาฝึกงานตอนนี้ ก็จะมีเวลาฟังธรรมมากขึ้นเพราะว่าน้องเขาก็จะไปเรียนต่อไปเรียนต่อแล้วค่อยกลับมาใหม่ครับเพราะว่าเวลาฟังธรรมจากพระอาจารย์เราเข้าใ จ, จแจ้งแจ้งเราสามารถรู้สึกว่ามันเป็นทางออกเป็นเสาหลักปเป็นที่พึ่งไ ด, ได้ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วแล้วพอดีผมได้มีโอกาสออรับใช้ครูบาอาจารย์ที่ทางใต้ที่ท่านเป็นพระพรมพระราชตอนที่ท่านรับรับตาแหน่งครับทารูป ขายพัดรถคล้ายๆกับที่พี่โอเล่ทำอะครับ mm hmm. ตอนที่พระอาจารย์ก็เลยทำแบบของพระอาจารย์ไปหนึ่งรูปนะครับต่ทาก่อนแต่ว่าขอโอกาสทาแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ต้นเอาไปมอบไปขอลายเซ็นอะไรเงี้ยครับผมต้อง <ผม S 1> <ม>ใจรทำไ ม, ไม่มีลายเซ็นแจกไม่มีเซ็นไม่ไหวเดี๋ยวคนนั้นมาขอคนนี้มาขอตายเอาเอาไปให้พระอาจารย์จับก็ได้ครับให้พระอาจารย์คิดดู มันไม่ขังหรอกจำเงก็ไม่ขังเันไม่ไหลังหรอกเป็นที่ระลึกงงไมไ้ม่ได้ต้องการคาำขังแล้วแต่เป็นผลงานที่แบบว่าตั้งใจทําให้อาจารย์อาจารย์ดูผลงานอนี้อาจจะไม่ใช่เป็นแนวนี้หน่อยแต่ว่าเป็นผลงานที่ตั้งใจทําครับแล้วปกติคือไม่ได้ทําไม่ได้ทําทั่วไปถ้าไม่มีใครจ้างผมก็จะไม่ทํำนี่ครับทำเพื่อกระบูชาถ้าอยากจะขังก็ปฏิบัติบูชาปฏิบัติได้ทําด้วยครับอาจารย์ยผมก็ปฏิบัติ อยู่นะโอเคเนี่ย okay. เราสามารถปฏิบัติได้ในออฟฟิศเราเนี่ยวันวันห น, นึ่งพักสักสิบนาทีก็นั่งสมาธิตรงเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่นี่เลยครับตามไปได้ครับไ ม, ไม่ต้องไปหาที่ปฏิบัติหรอกได้ได้ทีนที้เด็กไม่มีแล้วเราก็นั่งตรง น, นี้ได้ครับอฮเวลาวั น, วนละสิบหลายหลายรอบก็ได้ครั้งละสิบนาทีสิบห้านี้พักใจบ้างใช่ใช่ถ้าพักใจแล้วออกกําลังมันมามากเลยเข้ามาคารวะเดียว ไม่ต้องมาต้องมารอไปอยู่ต้องรอวันนั้นวันนี้ไปที่นู่นที่นี่บางทีมันไม่มีเวลาไปนะเอามันเต้าเอ า, เอาที่เราอยู่เนี่ยนะเอาเวลาช่วงไหนที่รู้สึกว่างพอจะพักใจได้ก็เอาสักสิบนาทีสิบ้านาทีไปครับอาจารย์เก็บต้านไปอยที่เราเลี้ยเทาน้อยนีกว่าครับเข้าใจนะเข้าใจตาเราจะปฏิบั <Okay. S 2> ติตาแล้วตากับเขา เป็นเป็นปฏิบัติบูชาครับผมอ่าปฏิบัติบูชาที่เรวไม่ยอมใา้เาปฏิบัติเนี่ยคานี้นั่งสมาธิสิบนาทีมันยากตรงไหนปัญหาไม่ได้กไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่วด้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ะม่้กมันต้ก็ไม่าดาก็ไม่ได้กไมันต้ก็ไม่ได้กเไม่ได้ก็ไม่ด้ก็ไม่ได้ก็ลอ่ได้ก็ไม่าด้ก็จม่ได้ก็ไม่ใด้ก็ไม่ได้ก็ไม่้ก็ไม่ได้กบไมาได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ไดอก็ไม่ไดก็ไม่ได้ม อันนคุณหนึ่งจ้ะคุณเน่งกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเป็นยังไงมีอะไรไหมปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าก็บางทียังไม่ได้ตามเป้าหมายเจ้าค่ะโดยเฉพาะเรื่องการอดอาหารเหมือนคนอื่นเขายมยอมรับยังทําไม่ได้เจ้าค่ะแต่จะพยายามเจ้าค่ะไม่ถึงก่อนอาหารแล้ว อาหารเย็น น, นาม อ, อาหารเย็นเจ้าค่ะาารจริงๆยอยากทําให้ได้แต่ว่าอ ม, มันอยากกินนะเจ้าค่ะก็พิจารณาปฏิกูลบ้างเนีลยปฏิกูลอาหารปฏิกูลยังถึง อ, อาหารที่อยู่ในปากอ่ะเวลาเคี้ยวมันเวลาชายออกมาแล้วหน้าตามันน่ากินไหมยอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานเจ้าค่ะ คือให้พอเห็นอาหารแล้วเราพอนึกอยากกินสมมติอยากกินส้มตำอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่าไปคิดถึงนั้นส้มตำที่อยู่ในจานคิดถึงส้มตำเวลามันเข้าไปในปากก็แล้วเราเคี้ยวแล้วเราเืรอคายามันออกมันดูหน้าตามันเป็นยังไงเจ้าค่ะจะจะพยายามเจ้าค่ะทีนี้ว่ามีคําถามหนึ่งต่อจากที่เพื่อนๆได้ถามไปกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ชี้แนะนะคะตอนแรกในเรื่องเวลาสมมุติว่าเกิด เวทนาหรือว่าจะตายเนี่ยหนูคิดว่าต้องแบบเหมือนคิดว่าพระที่บรรลุแล้ววะเขาเข้าสมาธิเลยเขาถึงไม่เจ็บปวดแต่หนูไม่เคยคิดว่าเขาจะยอมรับแล้วก็พิจารณาเห็นความดับไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ mm hmm. ทีนี้ว่าหนูหนูหนูเคยหนูก็ชอบนะเวลาที่แบบว่าเวลาเกิดความเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะเข้าสมาธิเพื่อแบบทดสอบแต่ก่อนหนูไปนวดฝ่าเท้าเจ้าค่ะเป็นสูตรจีนของเขา่าคือแบบปวดแทบ เขาเขานวดเจ็บมากค่ะเจ็บแทบดิ้นเลยอะ้าค่ะ <S <S 1> <S 1> แบบเหมือนเขาจะต้องให้ถึงเส้นอะไรให้ได้เลยะแต่ว่าถ้าไม่เข้าสมาธิก่อนนะเจ้าค่ะมันจะแบบโวยแบบไม่ไห ว, ไไวเลยค่ะแบบ <S 1> <S 1> ต้องชักเท้าหนีบอกเขาจะรู้เลยว่าเราอ่ะเจ็บเพราะว่าบอกรู้ได้ไงเขาบอกโอ๊ยก็ชักเท้าหนีตลอดแล้วก็ดึงไปอย่างเงี้ยแล้วบอกเบาๆได้ไหมเขาบอกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรต้องให้มันเข้าถึงข้างในถึงระบบข้างในทีนี้ว่ามันมีครั้งหนึ่งเจ้าค่ะ หนูพยายามแบบอ้าวันเนี้ยไม่ก็เห็นความเจ็บปวดแต่สุดท้ายแล้วหนูสู้ไม่ไหวเจ้าค่ะหนูแบบเหมือนอารมณ์หงุดหงิดเลยเจ้าค่ะว่าโอ้ยทุกทีเคยเข้าสมาธิอ้าวันนี้ดูความเจ็บปวดดีกว่าพอดูใช่ไหมเจ้าค่ะมันปวดสุดๆเลยครับคือมันเจ็บอะค่ะแล้วหนูก็เลยแบบโอ๊ยแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกเจ็บอะค่ะทีนี้หนูกลับมาคิดว่าสมมุติว่าถ้าเกิดแต่หนูเข้าใจว่ากําลัง กำลังสมาธิของเรากำลังสติของเรามันไม่เข้มแข็งพอด้วยแหละถ้าวันไหนที่แบบเราพอมันก็จะไม่รู้สึกแบบคือมันยังควบคุมได้แต่ถ้าเกิดพอเรากำลังเราไม่พอเนี่ยมันก็จะเจ็บแล้วมันก็จะเหมือนสติแตกอย่างเงี้ยค่ะเจ้าค่ะทีนี้ว่าหนูกลับมาคิดว่าสมมตินะว่าเวลาสู ม, มจะตายขึ้นมาเราคิดว่าเราอ่ะอะ่กำลังเข้มแข็งแล้วอ่ะแต่เราไม่ใช่อ่ะเราไม่บรรลุหรอกแต่พอสุดท้ายแล้วเราคิดว่าจะพิจารณาความเจ็บปวดอ่ะ แต่มันแบบไม่ไหวอ่ะมันสุดท้ายแล้วโอ้ยแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันจะยิ่งทําให้เราแบบเหมือนแบบลงอบายไหมคะเหมือนกับว่าจิตเราอ่ะมันตกไม่ลงอบายเหรอไม่ลงอบายอืมมีนมันไม่ได้เข้าสวรรค์ชั้นพรมันาจะอยู่สวรรค์ชั้นเทพไปถ้าเราไม่ได้ทําบาปมันไม่ไปอบายแต่จิตมันแบบเหมือนมันตกเพราะว่ามันมันเจ็บมากเขามันแบบมันมันมีเวทนามันเจ็บแบบแล้วจิตมันก็แบบหมองลงอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ไม่ไมถึงขั้นไม่ไม่ถึงไม่สงบทั้งนันเองเข้าฌนไม่ได้มันนิ่งไม่ได้ไมันไม่ไม่วางเฉยเจ้าค่ะแต่เมื่อถ้าเกิดเที่ยวว่าเราแบบเข้าสมาธิไปก่อนโดยเพราะตอนแรกถ้าเกิดเรายังไม่เจ็บนะคะแล้ว เ, เข้าสมาธิไปก่อนอนะ่ะมันจะเบาๆไปแล้วแต่ว่าถ้าเราไปยอมรับมันแต่สุดท้ายกําลังจิตเราไม่พออยู่ดีแล้ว เ, เกิดสติแตกขึ้นมาอย่างนี้คะ่ะมันจะไม่ยิ่งเสี่ยงกว่าแล้วเจ้าค่ะ ก็มันถ้าเราปฏิบัติมันไมมันไม่แตกสติถ้าเราอยู่ในระดับที่เราสามารถที่เข้าสมาธิได้สติมันม่แตกเจ้าค่ะจะจะจะลองจะยองจะลองเทสดูเรื่อยๆเจ้าค่ะก็<ป>คือเราเราสามารถใช้สติแบบไม่เข้าสมาธิไงก็คือเวลามันเจ็บมากๆแล้วพุโทธโธพุทโธไปภายในใจของเราเพื่อหยุดความอยากเราใช้สติหยุดความอยากไม่ได้ใช้สติเพื่อหนึ่งจิตเข้าสมาธิ อยู่ให้ใช้สติเพื่อให้จิตไม่มีโอกาสไปคิดอยากให้ความเจ็บมันหายไปโอ้เจ้าค่ะจะลองดูค่ะพอใกล้ทําฟันแล้วเจ้าค่ะทำลากฟันเจ้าค่ะใช้ใช้สตินี่ออกมาอย่าให้มันไปอย่าให้มันไปเกาะที่ความเจ็บให้มันเกาะที่พุทโธแทนเจ้าค่ะอย่าไปสนใจความเจ็บความเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราก็ใช้พุทโธให้มันเป็นอุเบกขาให้มันเฉยเฉยไปอ๋อเจ้าค่ะ ใช้พุทโธให้เป็นอุเบกขาเฉยๆแต่ว่าเราไม่งอนหทับสมาธิให้มันหยุดหยุดความอยากให้สติหยุดความอยากอยากให้ความเจ็บหายไปอยากไม่เจ็บเนี้ยพ่มีพุทโธพุทโธความอยากมันก็ทํางานไม่ได้อ๋อเจ้าค่ะจะจะลองดูเจ้าค่ะกลับขอบพราะคุณเจค่ะไม่มีคําถามละเจ้าค่ะโอเคอหาดูยาสายทิพย์ยาสายทีพย์ถอนแกนนะ น, นส้สกัดพระอาจารย์เจ้าค่ะขอนแก่นค่ะ<อ>ก็สอนอยู่บ้ายังสอนอยู่บ้าอ่าสอนค่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงสอบค่ะพระอาจารย์ก็จะมีบางวันที่ที่เป็นชั่วโมงสอนของเราบางวันก็ก็ไม่มีค่ะก็สอนสลับสลับกับอาจารย์ท่านอื่นแล้วแต่หัวข้อค่ะพระพระอาจารย์หนูหนูสอนทางทางไซคล์ค่ะทางจิตเวชยาจิตเวชโรคจิตเวชก็เลยมาทางนี้ก็ตื่นเช้า ปกติตอนนี้ตื่นชาจะจ ะ, จะสอบอารมณ์ตัวเองว่าฝันอะไรเป็นฝันที่ดีหรือไม่ดีถ้าฝันไม่ดีแปลว่าจิตไม่ดีในในวันที่แล้วมาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนก็จะถามตัวเองว่าวันนี้มีอารมณ์อะไรที่ไม่ดีบ้างคอยคอยสอบตัวเองค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ดีค่ ะ, คะทำใจให้ว่างทำทำใจให้นิ่งเฉยเค่ะ แล้วก็ฝึกสติสติค่อยค่อยดีมากขึ้นค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งอะไรกับเรื่องของของใค่อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็ทํางานแล้วก็เราทําเหมือนเราทําทําทุกที่เหมือนเป็นวัด <c oughs> ใจใจเราเหมือนแบบปฏิบัติทําไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์อฝึกสติตลอดเวลาค่ะไหนที่ไหนก็ถือว่าถ้ามีสติก็ถือว่าเราอยู่อยู่อยู่เหมือนอยู่ที่วัด ค่ะหนูก็เลยคิดว่างั้นเราก็ทําเหมือนเหมือนคนที่เขาปฏิบัติทําไปเลยไม่ไม่ต้องร อ, อก็พูดโทพุดโธรบ้างก็พูดโธอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องรอไปวัดที่ไหนที่มีสติที่ไหนที่มีการปฏิบัติที่นั่นก็เป็นวัดแล้วค่ะหนูก็เลยคิดว่าตรงไหนก็เป็นวัดได้เดินอยู่เฉยๆก็พูดโธไปทําเหมือนบวชซะเลยบวชใจไปซะเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วผลเป็นยังไงดีขึ้นไหม ใจเบาขึ้นไหมยเย็นขึ้นไหมเบาเบาเลยค่ะพระอาจารย์เวลาที่แบบปกติถ้ า, ถาเพื่อนเพื่อนมีเรื่องแบบเอามามามาเมาหรือว่ามาแบบเหมือนแบ่งแยกกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปคิดอย่างงั้นเขาเขาทําดีแล้วแค่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเหมือนแบบพอพอเราไม่ใช่ทีมเขาแต่เขาทําดีเราไปขัดอะไรเงี้ยก็มีความเป็นกลางมากขึ้นค่ะพระอาจารย์บอกนั่นเขาทําดีแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะ <ừ> เราอย่าไปคิดคิดไม่ดีอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนให้เหตุผลเพื่อน ตรงๆตรงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเอ้ท่านคนนั้ น, ท, น, นทีมนั้นทีมนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาทําดีก็ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จิตจิตใจมีความสุขมากขึ้นเลยค่ะพระอาจารย์เวลาที่ได้ฟังมีความรู้สึกเหมือนเหมือนจิตจิตมันเป็นจิตที่ ท, ที่ที่ดีเหมือนเหมืนอนโยนสวรรค์มันเทียบเทียบใจค่ะพระอาจารย์ว่าเป็นจิตที่มีความสุขจะเป็นกุศลกุศล ค่ะก็เหมือนเราอยู่ในแบบเหมือนอันนี้คิดเล่นๆแล้วก็เป็นเหมือนจิตของเทวดาอันนี้คิดเทพเทียว่าไม่ค่อยทุกข์แล้วก็ไม่ได้คิดอคติหรือคิดคิดร้ดายอะไรอะไรเง<ม>ี้ยค่ะมีเมตตากรุณาบ้า ง, งารู้สึกมีความสุขแล้วก็ไม่เวลามีคนเหมือนแบบถ้าปกติถ้าฟังเรื่องจากคนอื่นที่มันไม่ค่อยดีเราก็จะจะคิดตามอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้มันเหมือนเราเรานิ่งแล้วก็เหมือนเป็นแค่แค่ผู้ฟังแล้วก็ให้คําแนะนําเขา ไม่เอาอารมณ์ตัวเองหรือเอาเอาอารมณ์คามาให้ให้ให้เราไปมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยค่ะดีมากดีมากเราขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ปฏิบัติไปได้เรื่อยค่ะแต่มีแต่ละพระบาปนิดนึงค่ะพระอาจารย์สินแปดหลุดไปวันหนึ่งเพราะว่าดูดูช้างแล้วก็ตุดๆุดเผลินฟัน้ายหมูไล่เลยค่ะหมูไล่ก็เลยตื่นขึ้นมา อ๋อผิดศัจจ์ไปวันหนึ่งยังเป็นขนาดนี้เลยหลังจากนั้นก็ก็ไม่เอาเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบโอเคได้บทเรียนแล้วว่าเนี่ยแค่ผิดแค่วันนี้ยจิตยังจิตยังแย่ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะคก็เลยไอ้ที่ดูเล่นๆอะไรต่างๆที่มันบบว่ดูมันไม่น่าจะผิดสินแปดก็ก็แบบแทบแทบจะไม่แตะเลยค่ะพระอาจารย์โดนหมูไล่ค่ะ <laughs> <laughs> โอเคพ <laughs> ยายามทําไปเรื่อยๆนะ แล้วก็คิดว่าเลยเข้าพราออกพรรษาก็น่าจะยังถือสินแปดอยู่ค่ะพระอาจารย์อ่านเป็นอนาคนปัจจุบันให้ได้ขอเงินค่ะค่ะห่หูไ่้ละเกตล้ะค่ะราธุค่ะโอเคสาธุณมามริการเลาที่ว่ากลับน้ำมัตการเจ้าค่ะพระอาจารย์กพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะได้ยินนะคะ ก็ลูกก็ปฏิบัติอยู่นะคะก็คือในช่วงเช้าก็คือตื่นขึ้นมาก็ตักบาตรนะก็ตักบานะกต ก, บาก็ให้คุณพ่อไปตักบาดด้วยนะคะพรอาจารย์ก็คือตอนนี้ก็คือให้ให้คุณพ่อได้สวดมนต์นะพอทานข้าสร็สวดสดมนต์ตอนตอนเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนลูกขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าพ่อก็อายุเกือบเก้าสิบแล้วนะคะถ้าถ้าจะให้ คุณพ่อมาจเจริญสติในการเดินจงกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าพระพเจ้ า, า, าถ้าเดินได้ก็ได้ถ้าเดินได้ก็เดินสตินี้มันจเจริญได้ทุกเรืยอบ่เนียไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนให้มีสติคอยควบคุมใจอย่าให้ใจไปคิดเลื่อนไปนั่นก็พุโทโธไปก็ได้เดินก็พุโทโธไปก็ไ ด, ด, ไไดยืนก็พุโทโธได้ ที่ส า, เ ห, า, สาเหตุที่ค่ะพ่อจย์ที่สาเหตุที่เสียจะให้พ่อเจริญสติตรงนี้เพราะว่าเพราะรู้สึกว่าวันสงวันนี้พ่อจะนั่งพูดคนเดียวอืมไม่มีสตใิใจลอยใจลอยคิดเรื่อยเปไหมถ้ามีสติมันก็จะเน่งนจะเฉยเฉยได้ก็ลองทเรองบอกให้พ่อเราพุทโธพุทโธแล้วสวดมนต์ไปในใจก็ได้ แทนนี่จะคิดเรื่องนั้ น, น, น, น, น, นเร่องนี้คิดถึงบทสวดมนต์แทนแต่จะทําได้ไม่นานกับอีกเรื่องหนึ่งนะตัวของเขาไม่ใช่ตัวองเราใช่เจ้าค่ะแต่ในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระนั้น น, นลูกก็พิมพ์ตัวอักษรตัวตัวโตวให้แล้วก็คุณพ่อก็โอเคใน เ, เรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สักบาตอันนี้ก็คุณพ่อก็ก็สนใจอยู่ในระดับหนึ่งดังนั้นอยากจะให้เก้า มาอะไรอีกระดับหนึ่งก็คือถ้าเจริญสติตรงนี้ได้มากขึ้นก็ถือว่าแล้วก็ได้แบบนี้ก็ได้สร้างบุญบา ร, รมีให้กับคุณพ่อด้วยเช่นนี้เจ้าค่ะค่ะ ช, ช่วยให้พ่อให้คุณพ่อภาวนาได้ก็ถือว่าเราได้ทําบุญทำประโยชน์มากเจ้าค่ะแล้วก็ส่วนของลูกเองนั้นก็แต่ก่อนนั้นก็คือเวลานั่งสมาธิอะไรพ่อก็ลุกขึ้นลุกขึ้นมาในความรู้สึกว่า เออพ่อลุกขึ้นอีกแล้วเราก็กังวลพ่อว่าเออพ่อเป็นยังไงบ้างก็คือจะ ต, ต้องลุกขึ้นไปดูอะไรลักษณะอย่างนั้นแล้วก็พอเมื่อคืนเมื่อคืนก็เราบอกว่าเออไหนลองไปนั่งในห้องดูสิพ่อก็นอนอยู่เราไปนั่งในห้องก็แต่ว่าก็ยังเหลือบตาดูนั่นแหละค่ะผู้อารย์ก็แสดงว่าลูกก็ยังขาดสติตรงนี้ใช่ไหมคาารับผู้อาวุโสไม่หรอกอาจจะเป็นความห่วงใยของเราไม่ได้เรามีหน้าที่ดูแลพ่อเราต<ๆ>้คอยสังเกตอยู่ อยู่ที่ว่าเราเร า, เราทุกข์หรือเปล่าเรากังวลหรือเปล่าเราอย่าไปทุกข์ก็แล้วกันกังวลกังวลกังวลนี้หมายถึงอะไรครับอาจารย์ลูกไม่เข้าใจกังวลว่าพ่อจะเป็นโน้นเป็นนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ในความคิดของลูกนั้นลูกลูกไม่ได้ว่าไปกังวลกับพ่อว่าจะโน้นนี่นั่นเพียงแต่ว่าห่วงยายไม่เป็นไรห่วงยายได้ ไปเฝ้าคอยดูได้อต่อย่าไปกังวลหรืองงทุกข์กับพ่อถ้าเกิดพ่อเขาเป็นอะไรเราก็ห้ามไปได้ค่ะในจุดนั้นลูกผ่านมาแล้วค่ะพรอาจารย์ลูกผ่านแล้วในจุดนั้นก็คือจะนิ่งก็จะเฉยมากเพราะว่าแต่ก่อนนั้นพ่อจะพ่อจะเป็นลักษณะที่ว่าพ่ออาจจะทานยาแบบมีทั้งยาโรกเกาต์กยูริต ลูกไตแล้วก็ทําให้น้ําลายมันไหลแล้วก็มันจะแบบพ่อก็ต้องแบบจิบจิบจิบจิบทำปากจิบจิบตลอดเวลาก็ทําให้ความรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเร า, ารําคาญแต่ว่าช่วงนี้จะไม่มีแล้วคพระบอาจารย์ลูกจะไม่มีอ า, าการอย่างนั้นแล้วเฉยเฉยไปดูแลแบบเฉยเฉยไป ใ, ใจไม่ต้องไปวุ่นแล้วค่ะอาจารย์ก็คือก็พยายามที่จะมาในพอเราประยอมรับในจุดนั้นได้ มันพัฒนาขึ้นมาตรงนั้นได้ทําให้ลูกสบายใจขึ้นแล้วก็เวลามันนั่งสมาธิอะไรก็มันก็จะคล่องขึ้นได้เยอะนะครัอาจารย์สาธุตบขาแน่นอนครับอาจารย์อ่าธุเจ้าที่ป็นตายคุณตายเป็นยังไงก็อยู่วันเขาใกล้จะครบด้วยยังน้องกล่าวนมัสการค่ะพระอาจารย์พรุ่งนี้ออกแล้วค่ะพระอาจารย์อค่ะยป็นไงเหมือนไก่บินหรือเวลาจะออกเหมือนไก่บินด้วย มันคิดถึงขนมฟังจิ้มนมค่ะว่าจ้าเวลาเข้าไปมันทานเหนืออยู่ตรงนี้มันเอาแบบสมถะเลยค่ะพระอาจารย์มีมาม่ามาห้าซองหูยอมาสองก้อนแล้วก็แกงที่มันเหลือๆ ห, หนูก็รวมกันหนูก็รวมกันมาให้หมดเลยนะคะอาจารย์แล้วหนูก็แบ่งเป็นอับๆแล้วก็ไว้ในตู้เย็นแล้วหนูก็กินอยู่แค่นั้นก็ไม่ได้ซื้ออะไรก็ลองดูว่าใจทําได้หรือเปล่าเสื้อผ้าเอามาซือ อ, ะอจะพามาห้าชุดแต่หนูว่าลองให้ย้ำว่าใช้แค่สองชุดพอหนูว่าซักหนูก็ซั ก, ห น, ก, ซกหนูก็ทําอยู่อย่างนี้ น, นะคะพระอาจารย์อัะก็ทําไ ด, แได้แต่เป็นมวยแบบมวยไม่ได้ซ้อมมันเวลาขึ้นมาจริงๆแล้วมันมันคุมสติตัวเองนี่ยากนะคะพระอาจารย์แต่หนูก็คุมมันนะคะก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นกันอย่างนี้แหละมันก็สติยังมีกําลังน้อย เกไปเรื่อยๆต่อไปก็จะมีกาลังมากขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์หนูบอกกับตัวเองว่าห้ามลุกหนูตั้งตั้งเวลาไว้ประมาณว่าต้องนั่งแก ต, ต้องนั่งสองชั่วโมต้องนั่งให้ได้สองช่โมงแต่มันไม่ได้นะคะพระอาจารย์แต่หนูไม่ลุกนะคะหนูก็พับขาซ้ายพอมันไม่ไหวหนูก็พับขาขวาเปลี่ยนขาแต่ไม่ลุกแล้วก็นั่งคัมสมาธิก็ทําอยู่อย่างเงี้ยนะคะจนแบบนนจนส<น> อ, องชั่วโมงใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ วันแรกที่มานี่คือขี้เกียจมากเลยก็มานอนแแมนอนแบบนอนหลายะะชาั mm ่วโมงเลยค่ะอาจารย์และอีกวันหนึ่งหนูก็มานั่งคือคือทําไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยแก้เบื่อหนูก็อ่านหนังสือหลวงตาแล้วก็มีคํามีคําที่หลวงตาสอนพระคะ่ะที่ท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติมาปฏิบัติขี้เกียจขี้คานมานอนตอนนั้นหนูกําลังนอนอ่านหนูรีบรุดขึ้นมาขึ้นมานั่ง หนูเหมือนโดนหลนตาเดอดตั้งแต่วันต like ั้งแต่พอหนูอ่านบทนั้นเสร็จปุ๊บหลายๆวันต่อมาหนูไม่ได้นอนกัางวันเลยค่ะพระอาจารย์ถ้าจะนอนก็คือไปแค่แบบว่าเอ็นหลังสักห้านาทีห้านาทีสิบนาทีหรือไม่ก็ไปนั่งเก้าอี้ให้มันยืดเส้นยืดสายแต่เช้ามาหนูก็นั่งสมาธิก่อนวันแต่วันแรกแรกนี่หนูตื่นเช้ามากเลยตี ตีสามกว่าหนูไปเดินจงกรมข้างล่างนะคะอาจารย์รมันมีเสียงฟูปะฟูปะขนาหนูหนูขนลุกคนหัวลุกเลยเพราะว่าเออาวหน้าจะไม่เอาละเอาเอาใหม่ก็คือตื่นเช้าก็มานั่งทำสมาธิพอใกล้สามก็ประมาณตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ค่ะอาจารย์หนูก็ลงไปเดินจนฟ้าสว่างก็เนี่ยค่ะทำทำอย่างเงี้ยแหละค่ะพุโทโธทำโมสังโฆ ก็ท่องอย่างนี้ไปจนมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยเสร็จมันก็จะมามาพูดบอกพุดโธรพูดโ ท, ดโทแล้วก็มันก็เหนื่อยอีกพอเหนื่อยปุ๊บมันก็ขาเนี่มาดูลมอ๋อมันมันเป็นอย่างนี้เป็นจังหวะจังหวะของมันหรือเปล่าคะพระอาจารย์อช่ถ้ามันเหนื่อยก็ไม่ต้องท่องดูลมเฉยๆหรือถ้าเดิกดนก็ดูเท้าก็ได้ค่ะแล้ก็สลับซับไปอย่างนี้ละคะพระอาจารย์ก็ แต่ดีนะคะพ่ออาจารย์หนูยังคิดเลยว่าโอ้แล้วเม่อไหล่หนูจะค้นทุกข์ไม่ได้ขายของเนาะเมื่อไหลจะแบบว่าลูกจะมาช่วยให้หมดเลยแล้วหนูจะไปอยู่ไปอยู่เชียงใหม่ไปปลูกผักอยู่แบบสมถะแบบเนี้ยถ้าจะดีพระอาจารย์ทําทใจอยู่แบบเนี้ยคะ่ะดีแต่<ป>ดีมากเลยค่ะทําไปดีไม่ดีอาจจะไม่ได้ไปปลูกผักไปบวชชีเลยก็ได้ เอางั้นเลยนะคะไม le ่ยากนะคะพระอ<ม>าจ<บ>ารย์ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มันก็ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆเแต่แต่หนูนี่ยกย่องนับถือพระพระภูมเป็นพระแท้ๆเลยค่ะเพราะว่าหนูลองแบบลองแข่งแข่งตึงตึงกับตัวเองเนงมันมันยากมากๆเลยที่จะคุมสติไม่ให้หลุด ห, หรือว่าที่จะคือเวลาเรานั่งๆั่งไปอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ เราก็พูดโทรอยู่ดีแต่ทําไมจิตมันไปโผตรงนู่นโผลตรงนี้อ้าวพอมีคณะอ้าวไปโผไปตรงนี้หนิมานี่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็พยายามดึงมันมาขับมันมาแต่มันเร็วมากเลยนะคะพระอาจารย์สติเราขาดตอนก็ต้องพยายามดึงมันกลับมาค่ะทำไปเรื่อยๆใหม่ๆก็เหมือนชักกัเยอะกัน่ะส่วนใหญ่มันจะดึงเราไปมากกว่าเราเราดึงมันมาใช่ค่ะพระอาจารย์หนูก็บอกว่าโอ้มันมันยากมากๆเลยแต่ก็พยายามค่ะพระอาจารย์กลับไปบ้าน วนันนี้นี่จะต้องตั้งใจว่าจะทําทุกวันหลังเลิกงานจะรีบอาบน้ำแล้วไปนั่งสมาธิแล้วช่วงเช้าตื่นขึ้นมาก็ฝึกสติได้เลยช่วงเช้าตื่นขึ้นมาอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุทโธไปอย่าอยู่เฉยเฉยอย่าปล่อยมันคิดเรื่อเยเปื่อยนะคะอันนั้นก็ทําอยู่คะ่ะอาจารย์ตื่นขึ้นมาปุ๊บก็มีพุโทโธแล้วแต่ว่ามันก็อย่างที่อาจารย์ว่าแหละคือมันขาดตอน พอเราไปหลงกับงานของเราแล้วมันก็เผลอไปหมดเลยค่ะอาจารย์ใช่ก็ไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะมันก็จะมีกําลังมากขึ้นเองนะคะ่ะอาจารย์คน<ม>พนักไอพนักงานผู้ปฏิบัติบนเขาก็มาเรื่อยๆทุกวันนะคะอาจารย์ไม่ไม่มาอยู่เรืะะ่อยมีคนจองอยู่เรื่อยที่ถ้าจะไม่ว่างเลยเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะพอหกโมงนี้กุฏเงียบปุ๊บเลย สงสัยต้องภาวนากันแบบหน้า<ช>ดีใจลึก ส, รรสิอาจารย์มากเลยค<ต>่ะอาจารย์ทุกคนก็อยากจะมาอยู่เงียบๆกั น, กนที่วันนั้นก็ีงไม่มีกิจกรรมอะไรนอกจากสมาธิเดินโยมความนั่งสมาธิใช่ค่ะอาจารย์วันนี้ก<ช>็ไม่มีมี <ๆ S 2> รายงานแค่เนี้ยค่ะโอเคยินดีด้วยที่ได้อยู่ถึงหกวันนะคะอาจารย์ขอบพระพคุณค่ะสาธุนะอาจารย์คุณปังว่าอะไรเช่นปางว่าอะไร กลันมัสการเจ้าค่ะพูดวันนี้ฟังเรื่องแต่งหน้าค่ะก็หนูทํางานโรงแรมนะคะมันต้องแต่งหน้าแต่ว่าก็หน้าอย่างนี้แหละค่ะเหมือนตอนที่ไปถวายอาหารพระอาจารย์ไปทํางานแล้วก็กลับมาบ้านไม่ไม่ถ้าเอาจริงคือแค่ทาแป้งเพื่อให้มันลดผื่นคันเลยค่ะ<ม>แล้วก็ก่อนประชุมรู้ว่าอาจจะต้องแบบต้องมีบ้างอะไรเงี้ยก็ทาลิปมันให้มันให้มันแดงแดงก่อนพอประชุมเสร็จมันก็หายแดงพอดี แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ตอนนี้เขาเริ่มชินแล้วค่ะไม่เขาไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องหน้าตาก็เหมือนที่พ่อจารย์บอกอ่ะก็อยู่ที่เรื่องพการศึกษามากกว่าอยู่ที่ความสามารถของเราดีกว่าว่าเราทำงานเป็นประโยชน์กับเขาหรือเปล่าค่ะแล้วก็ใจสบายขึ้นนะเจ้าคอ่ะอคําว่าความทุกข์ที่เกิดจากการทาํางานนะคะหนูไม่ค่อยเจอ หนูก็จะมาได้มาเจอความทุกข์ของคนอื่นนะคะแล้วก็เหมือนที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่าทุกๆสัปดาห์ค่ะหรือทุกๆวันหนูหนูก็จะมาฟังความทุกข์ของเขาแล้วหนูก็จะพิจารณาว่าทุกมันเกิดจากอะไรแล้วก็สามารถดับด้วยได้อะไร<ม>ก็ปฏิบัติบูชาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะอาโอเคคุณหญิงวิไลพรเทศบาลตน้นสายสองกับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะ ได้ยินเสียงก า, า, ารชัดตลังขึ้นมาเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 1> ก็ช่วงที่ผ่านมาร่างกายก็รับสิทหนักอยู่เหมือนกันพระอาจารย์<ม>เจอไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอค่ะติดกันทั้งบ้านเลยใช่ค่ะ<ม>พระอาจารย์แล้วก็เราก็ดีอะค่ะพระอาจารย์เราก็ได้ดูเวทนาของจริงโดยที่ไม่ต้องเกิดจากสมาธิพระอาจารย์<ม>ใช่แล้วมันคือมันจะเป็นจีต้ตะล่ำมันมันมันจี้ตามตัวเพระมันเดก็จี๊ดจี๊พอจี๊ตามตัวเสร็จตอนนี้ตอนนี้มันกลายเป็นจี๊ดขึ้นสมองพระอาจารย์แบบ เพใจคิดทุกทีแบบขนาดโยมหญิงหลับจนหญิงตื่นเพราะความความจทีที่มันปวดหัวสมองอะค่ะอ <P os ite> พอโยมหญิงตื่นมาเสร็จมันก็บอกโอ้โหมันจีได้รุนแรงขนาดนี้เนาะที่ <c oughs> จนเราปวดจนตื่นแต่โยมหญิงก็อยู่กับกับเข้าไปแล้วยอมโยมิก็เลยแบบว่าเอา้าเราลองซ้อมซ้อมตายดูซิถ้าคนถ้าคนจะตายแล้วก็อยู่กับความเจ็บอ่ะมันจะรู้สึกยังไงเลยอาจารย์โ <c oughs> ยมก็นอนดูลมไปสพักจีไปออกมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป ก็ดูเขาจนคือใจเราไม่ไม่ไม่รู้สึกทุกข์กับเขาว่า mm hmm. อยากให้เขาหาย mm hmm. อยู่เขามาตั้งห mm ้าหกวันนะ่ะพ่อจานดู mm hmm. ความจีด่ะ mm hmm. แล้วเราก็ดูจนมันสุดท้ายพ่อจารย์แบบโยมหญิงหลับไปเองได้พระอาจารย์แบบเ mm ั hmm. ็นจีดเราดูความจีของเขาอะ่ะจีด mm hmm. แป๊บแล้วก็ไปแล้วก็โยมหญิงหลับหลับจนเยมหญิงฝันพ่อจารย์ฝันว่ามีมีหมอหรือมีคนมาช่วย ใส่ยาให้โยมหญิงตรงสมองแล้วโยมหญิงก็หลับสบายถึงเช้าโดยที่ไม่จี๊ดเลยพระอาจารย์แล้วพอตื่นมาตอนเช้าโยมก็จี๊ดกับสมองกับเขาใหม่ยมก็ปล่อยมันไปแล้วก็จี๊ดก็ก็ดูความคิดก็ใจใจไม่ทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไปบังคับอะไรเขาได้จะเขาจืดมาจี๊ดหรือจะอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ยมยงก็นึกถึงคําสอนพระอาจารย์ตลอดจนสุดท้ายโยมก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยเบื่อจังมันจี๊ดมานานแล้วนะพอเฮ้พอเฮ้ยมยมก็คุยคุยกับเขาเองอะค่ะพระอาจารย์ คุบอกว่าพอแล้วร่างกายตอนนี้คือผ่านสึกหนักมาเยอะแล้วไหนจะผ่าตัดแล้วไหนจะออกจะผ่าตัดเก็บตัวได้เดือนหนึ่งออกจากเก็บตัวได้เดือนหนึ่งก็มาเจออไข่ไข่หวัดใหญ่สายพันธุ์เพระอาจารย์มิยมมยมก็พูดเหรอเขาบอกพอพอพอเฮ้อ ห, หยุดหยุดเฮ้อแบบคือคือเยอะแล้วอะไรเงี้ยพราอาจารย์ใช่ไหมคะมันหายอะ <ไง S 1> ่ะจิตมันหายไปเล ย, <ไ Bobby. S 1> เลยพระอาจารย์เขาตั้งแต่พอเราพูดอ่ะเขาปุ๊บเข เขาหายไปเลยหายสนิทเลยพระอาจารย์โยมนยมก็บอกเอ้ยจริงจังเราพูดกับเขาได้ด้วยแฮะเออเขาเขาก็ยอมให้ให้ร่างกายเรากลับมาเป็นปกติพระอาจารย์ยมก็หายสนิทเลยค่ะอยู่เข้ามาแปดวันพระอาจารย์ก็ไม่แน่นะวันพอดีมันช่วงเยาวะวันที่มันจะหมดก็ได้มันจะหายพอดีใช่ไหมคะอย่าไป่อย่าไปตายใจมันจะสายก็ได้ก็คือคุยกับเขาค่ะพระอาจารย์แต่ว่า ใช่แต่ใจจงใจเบี่ยงต่ความชุ่มใจเราดับได้แต่ความเจ็บทางร่างกายเราบางทีสั่งมันไม่ได้ครับใช่ค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดคนเราจะตายเราอยู่กับความเจ็บปวดแล้วก็เราก็ดูลมเราก็มองกับความเจ็บของเขาไปโยมก็ตายสบายตายสบายใช่ค่ะคําสอนพระอาจารย์ล้วนๆทุกอย่างคําสอนพระอาจารย์เหมือนเลยเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็โยงมีพระอาจารย์อยู่ใน ในสติปัญญาตลอดค่ะพระอาจารย okay. <Thank> ์แต่ทุกข้าพระอาจารย์คะอีกอย่างหนึ่งค่ะโยมมีความรู้สึกว่าเวลาเราเราเดินมาทางนี้พระอาจารย์อย่างเวลาโยมไปไหนที่จอ ด, ดรถนะคะอาจารย์โยมขับไปปุ๊บมีคนออกจอดรถให้โยมตลอดเลยอะค่ะโยมไม่ต้อง mm hmm. วนหาที่จอดรถในพระอาจารย์คนอื่นเขาไปวนตลาดชุมลีเขาบอกหาที่จอดรถไม่ได้เป็นชั่วโมงโยมบอกเข้าไปปุ๊บคนเขาก็ออกให้เขาพูดคนออกให้แล้วจนโยนพูดกับลูกสาวค่ะพระอาจารย์บอกเชื่อไหม เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปตลาดเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนออกรถให้ยองคิด เ, เออเราพูดนี้มันจะมันจะได้ผลไหมรูปจะไงไหมพอไปถึงคนคือเราติดอยู่รพระอาจารย์ก่อนหน้า ค, คนก็ออกรถให้เราเราไปถึงแล้วก็เสียบข้อได้ตลอดเลยค่ะพระอาจารย์มันมันเกี่ยวกันไหมคะคือเป็นอันนี้อันนี้สมผลผลบุญเก่าที่เราทํามาแล้วกันใช่<ต>ไหมคะจ ะ, จะว่าได้เหน็นจะเค ย, เคยอาจจะเอื้ออวยความสะดวกให้กับคนอื่น เมื่ก่อนพอถึงเวลามันก็เลยมีคนมาเอื้อความสะดวกให้กับเราไม่ได้ใช่ค่ะไม่ว่าที่ไหนนะคะพระอาจารย์ทุกที่จะเป็นแบบนี้หมดโยมก็ถามเพื่อนกันนะคะที่เดินสายธรรมะค่ะเขาบอกว่าเขาก็เป็นแบบนี้ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลยเจ้าค่ะก็ดีดีค่ะเคยรู้เฉยๆไปแต่ย่าไม่ยึดไปติดเดี๋ยวไปเจอจังหวัดที่ไม่มีก็อย่าไปอย่าไปเครียดอย่าไปทุกข์เพราะงันไม่มีเลยค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วโยมก็แบบพูดให้ให้ให้ให้ลูกเห็นลูกบอกมาม้าโม้ แล้วทุกครั้งที่ไปกับลูกสาวลูกสาวก็เชื่อแล้วค่ะพระอาจารย์บอกหมามะ้าหนูหนูเชื่อแล้วค่ะมาม้าหนูเชื่อแล้วค่ะเขาบอกเขาก็เขาก็เห็นว่าเออเราทําดีแล้วทุกอย่างก็โอเคคะ่ะบอกลูกสาวบอกลูกสาเทวดาเห็นมา ม, ะมะ้าเทวดาเห็นใช่ค่ะดูะาตามความเป็นจริงเข้าไปก็แลนน้วกันแต่อย่าไปยึดเป็นติดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลาดใช่ค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณธรรมะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ โยมดีน ใ, นใจมากเลยคะ่ะมีครูบาอาจารย์โยมรู้สึกอุ่นใจมากเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมปฏิบัติดูบูช า, าตลอดนะคะขอให้พระอาจารย์พัดขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะมาเดี๋ยวโยมพาคุณพ่อไปกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าสาธุค่ะพระอาจารย์คุณอูต้าอูตอูตใช่ไหมใช่อี่นครัผมพระอาจารย์ครับอ่าแยกอ่างศีลาครับผมอ่าใกา้ๆนี่ครับผม อ่าเข้ามาร่วมฟังธรรมครับผมพ่อครับผมรั้งแรกนะอ่าผมเข้ามาสามรอบแล้วครับผมโอเคครับผมเข้ามาตอนที่คุยเรื่องของจิตเสื่อมอ่ะครับผมโอเคอวันนี้ก็ไม่มีวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็อ่าฝึกอ่าสติอนั่งสมาธิแล้วก็เพื่อให้หยุดความคิดได้นะครับผมแล้วก็ไปใตอ่าไปตามทีละขั้นตอนนะครับผมใช่เดี๋ยวฝึกสติให้มากๆก่อน นะครับผมโอเคนะคผมไปที่เท็กซัสคุณสุภาาัทรากลับนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยว ว, ว, วันวันวันอาทิตย์นี้รูปกลับไทยเจ้าค่ะพอดีคุณแม่ไม่สบายนักก็ก็เลยตอนแรกแพนไว้ว่าจะกลับเดืนเอนพฤศจิกาได้ซื้อตั๋วไว้แล้วแต่ว่าได้ต้องมาย้ายขึ้นมาเร็วหน่อยพอดีมีเหตุจาเป็น พอดีออรรมาดูแลพ่อแม่พอดีเจ้าค่ะก็ก็ทํำทำหน้าที่ก็ให้กําลังใจกับแม่ด้วยเจ้าค่ะลูกมีเดินทางสายนี้รู้สึกว่ามีความหนักแน่นแล้วก็ศรัทธาเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่ที่ปฏิบัติแล้วเจ้าค่ะก็มีความมีความศรัทธาเจ้าค่ะมากๆโน้แหงธรรมเยนะโน้ตแหงปวงใจเจ้าค่ะ<ม>ลูกเคยทุกข์เมื่ ใช่เจ้าค่ะลูกเคยทุกเรื่องคุณแม่เมื่อปี2016ทําให้ลูกอ่ะได้เดินทางสายนี้เพราะว่าเตรียมใจไว้แล้วก็ทําให้ครั้งนี้ทําให้ลูกเห็นความต่างจากเมื่อปี2016กับปัจจุบันเจ้าค่ะว่าใจลูกมีการพัฒนามากขึ้นและพอมากขึ้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยมีความศรัทธามากขึ้นเจ้าค่ะและ ความศรัทธาที่เพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือลูกรักการทํางานเมื่อสี่ปีที่แล้วเพื่อจะเดินทางสายนี้อย่างแน่วแน่แล้วลูกก็คิดว่าถ้าลูกไม่ทํางานลูกจะอยู่ได้ยังไงจะเอาเงินมาจากไหนจะดูแลตัวเองอยังไงสนุปกลายเป็นว่าพอเราอยู่อย่างส ม, มถากสันโดษเนี่ยมีแต่คนเม็ดมแล้วเงินก็ไม่ต้นนองใช้มากเงิ น, นก็ไม่ต้องใช้ มีแต่มีแต่คนทีเมตตาพอเราแบบเราเราเพราะเราไม่ถึงเงินลูกไม่ถึงเงินตั้งแต่สี่ปีที่แล้วเพราะเรารู้คิดว่าลูกเห็นเงินมาตั้งนานแล้วแล้วมันเงินมันสร้างแต่ความทุกข์ลูกก็เลยเชื่อพระอาจารย์เจ้าระลูกไอ้ น, นี่ลูกของลูกน้องนําคําสั่งสอนของพระอาจารย์มาลูกก็เลยไม่ถึงเงินไม่จัดการเงินไม่ยุ่งกับเงินเลยสี่ปีที่แล้ว mm hmm. แล้วกลายเป็นว่าการที่ลูกอยู่แบบเนี้ยทําให้มีแต่คน ยื่นมาให้มากกว่าเมื่อก่อนอนะเจ้าค่อไปะต่อไปก็โบนัสได้ต่อไปก็โบนัสได้สามีก็แบบยินดีที่สาวบอกว่าถ้ามาถึงก็ยินดีที่จะดูแลค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างเพรลูกไม่ถึงเงนินจบ ก, การเป็นว่าลูกอยู่อยู่กว่าสบายกว่าเมื่อก่อนตอนที่หาเงินเจ้าค่าอยู่แบนบนั้นโบนัะ ลูกค่ะล้กค่ะเห็นความต่างมากเลยเจ้าค่ะลูกก็เออพอเราไม่หาเงินเราเราเดินทางสายนี้มีแต่คนเมตตาลูกก็เลยบอกมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในในในความไม่ลำบากเจ้าค่ะลำบากกายแต่คิดว่าใจมีแต่ความสุขเพิ่มขึ้นใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะกล่าวขอบคุณพระอาจารย์ที่ที่แนะนําแล้วก็ทําให้ลูก ได้เชื่อมั่นและก็ศรัทธาเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะแม่อยู่จังหวัดไหนล่ะอ๋ออยู่กรุงเทพเจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณแม่เป็นตับอักเสบแล้วก็เอมีนิ่วในถุงน้ําดีเจ้าค่ะเพียงตอนคืออยู่มาห้าวันแล้วแล้วก็บอกว่าถ้าไข้ยังไม่ลดก็คือยังให้กลับบ้านไม่ได้เจ้าค่ะก็ก็ถ้าวันนี้ไข้ยังไม่ลดแล้วก็ลูกพิจารณาแล้วว่าลูก ทำประโยชน์ตอนแรกลูกคิดว่าลูกทำประโยชน์ให้กับตนเองคืออยากทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ของความที่ท่านให้กำเนิดเรามาเจ้าค่ะลูกก็เลยที่ว่าลูกควรจะไปแล้วก็ไปดูแลท่านได้เจค่ะก็เลยก็เลยจะทำมันจะได้ไม่เสียใจในภายหลังใช่เจ้าค่ะประโยชน์ตนก่อนแล้วก็ประโยชน์แล้วพอประโยชน์ตนสมบูรณ์ประโยชน์ท่านเราก็ได้ทำให้ท่านได้มีความสุขเนี่ยเจ้าค่ะลูกลูกคิดว่าไม่มีอะไรประเสริฐกว่า กว่าการเดินทางในสายของพระพุทธาศาสนาอีกแล้วเจ้าค่ะลูลกว่าประเสริฐสุดแล้วลูกโชคดีท JA like ี่ได้เห็นก่อนที่ลูกจะไม่มีโอกาสได้เห็นเจ้าค่ะโอเคสาธิตค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะขอให้คุณแมหายเร็วๆนะสาทุขอบพระคุณเจ้าค่ะอคุณหมอนาถวุฒิเจ้าคุณหมอกลับมาสานอาจารย์ครับอืม เม่กี้ฟังพระอาจารย์กับนโมกันพอดีพูดเรื่องหมอกายกับหมอใจก็เลยขออนุญาตให้ใหเขาคิดสั้นๆ น, นิดแล้วมีคําถามด้วยครับก็อา <c oughs> ชีพแพทย์ก็ผมว่าก็เป็นอาชีพที่ดีอ่ะครับก็มีไอ้เป็นมันได้ทําบุญตลอดเวลาครับเป็นสัมมาอาชีวะเนะครับแล้วก็เอมันก็เป็นปัตรยบิดกเลยมีหญ่เห็นเกิดแก่เจ็บตายพบอยู่ในในโรงพยาบาลนะฮะที่ปมิบัติครั บ, บ, ลรบ<ม>แล้วก็ บางทีเรารักษาใครแล้วถ้าเราปฏิบัติด้วยแล้วก็ก็ได้มีโอกาสให้ให้ให้ข้อคิดทางทางทางใจทั้ทงรักษาได้ทั้งกายและใจครับเพราะเสียก็จะมีตรงงานมันเยอะก็ที <Yeah. S 2> วลาเราเยอะครับ oh. ถ้าไปถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่ามันมันก็มันก็จะไปถึงทางแยกว่าถ้ายังอยู่อย่างนี้ก็จะทำ จะทำใจแค่เนี่ยครับ mm hmm. ม ก, mm hmm. ก็ก็ก็ก็จะไปให้เลึกกว่านี้ไม่ได้ครับนะเพราะว่ามันก็มีความต้องการอนู่นตลอดครับก็าเขาได้ได้ข้อคิดาอาจารย์ตลอดครับพี่ที่ท่านเวลาเจอท่านท่านก็จะบอกว่ารักษาแต่กายรักษ mm hmm. าอย่ารักษาใจ mm hmm. ก็ก็เห็นนะว่าบางทีรักษาลดไข้ไปก็หลายเคสก็แล้วก็ก็ช่วยเข้าไปได้ครัช่วยครั้งที่หนึ่งได้อั้ที่สองได้ถึงถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นเป็นโรคที่มารักษาไม่ได้ก็เป็นโรคที่ เป็นโรคแบบที่สามอ่ะไม่จะโรคแบบที่สองที่รักษาถ้าไม่รักษาก็จะไม่หายแล้วโรคที่สามรักษาไงก็ไม่หายก็ตายแต่ตอนหลังผมรู้สึกบางีก็อันนี้เป็นคําถามครับว่าบางทีก็จะเจอแบบคือเมื่อก่อนเราก็จะค่อนข้างค่อนข้างลุยค่อนข้างไอ้นี่พอสมควรแต่บางทีเราก็จะเห็นแต่ประสบการณ์นะครับว่าบางโรคมันก็ก็จะเป็นที่รักษายังไงมันคงไม่หายอยู่แล้วแล้วอายุโดยอายุขดไข่โดยโรคร่วมหรือบางที อ่าสมัยนี้มันจะมีหัวใจหยุดเต้นไปใส่เครื่องไปยุ่งหัวใจใส่อะไรซึงมันก็ทำให้คนไข้สับเพลย์แล้วผมเองก็บางทีก็ก็จะรู้สึกว่าก็จะไม่เอานี่เลยก็ก็จะชวนให้เขาปล่อยวางรู้สึกว่ามันมันมันมันก็ไปซับเฟอร์โดยไม่ไม่นั่นก็ก็ก็สึกว่าสัดานไปเรื่อยๆก็สึกไปไันมันก็มันก็มันก็มีอะไรที่ก็ดูแล้วมันก็น่าเบื่ออยู่เหมือนกันครับที่ที่มันก็บางโลกมันก็คืออย่างที่ท่านว่าครับรักษา กายมันก็มันเป็นอนิจจังมันก็มันก็ถึงเวลามันก็ตายอยู่ดีมารักษาใจดีกว่าครัแบแต่แล้วแต่คนไข้นะคนไข้มันตีใจเขายังไม่พร้อมก็ต้องทันไปตามที่เขาต้องการรเขาต้องการรักษากษา็รักษาไปครับอ่ะครับแต่โรคที่รักษาหายอ่าพวกนั้นเรารักษาเต็มที่แล้วแต่บางทีถ้าโรคที่เราดูแล้วีมัน หัวใจหยุดต้นไปต้องนาอะไรเงี้ยอายุก็เยอะอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะไปใส่เครื่องอะไรอเซเดนเฟลโลใช้ไปใส่เราก็ไม่นาไปใส่เพราะว่าเท่าที่ประสบการณ์เห็นใส่ไปก็ไปยืดแล้วก็ตายอยู่ดีครับมัาครับครับก็ก็ก็ก็เห็นตรงนี้อยู่ครับรู้สึกว่ามันก็เลรู้สึกเอ๊ะมันก็เราก็วางไปเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าหมออย่างหมออาชีพนี้อยู่หรือเปล่าไปเป็นหมอใจดีกว่า ตู้แล้วก็กเพราะว่าันทํางานมันมันเยอะะก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติได้ได้อย่างเต็มที่ครับอเราสิ้นทักทักน้โมตัดต้นมันอย่ามาเป็นหมอตายเลยมาเป็นหมอใจเลยดีกว่าครับถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องพอหมอใายังไงก็ต้องมาเป็นหมอใจทีหลังอยู่ดีครับใช่ครับใช่ครับมีรักษามันก็ดีแล้วมันก็ได้ทําบุญได้เห็นอะไรครับว่ามันก็ มันก็เป็นกลายเป็นอันนี้จันนะครับมันคือทางสายตรงไม่ได้เป็นหมอใจเนี่ยทางสายตรงนครับแต่ถ้าถ้ายังไปไม่ได้ก็เป็นก็เป็นอาชีพที่ที่ที่ที่อาชีพหนึ่งอรัได้ได้ได้ช่วยคนไข้ได้รักษาได้รักษาชีวิตได้อะไรเยอะได้ทําบุญใช่ครับได้ทําบุญตลอดเวลาครับก็เป็นสัมมาชีวะอาชิวะครับก็เห็นเห็นทุกอย่างสหมดครับ ก็เลยมาเล่ามาเล่าสู่กันฟังครับโอเคเสียงดังนิดถนึงครับพอดีลูกสาวเดินไปเดินมาบไม่เป็นไรนะครับมีแค่นี้นะแค่นี้ครับอาจารยพยายามปฏิบัติอยู่ครับอวัสดีคุณเรนทนทรนเวลาสรับนักกษาเอ่อบันยังไงสบายดีเจ้าค่ะอาจารย์ก็ตอนนี้โยมก็ดูลงที่ใจตัวเองเวลามีอะไรก็พิจารณาอยู่ ใจตัวเองอมเวลาเราเห็นอะไรก็มองเป็นธรรมชาติแล้วก็มันจะมีธรรมะเข้ามาประกอบอะค่ะท่านพระอาจารย์อืเราเห็นฝนตกเราเห็นคือมองอะไรเราก็จะเห็นเป็นว่านี่นี่คือทํำยังไงได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็พิจารณาอย่างนี้ตลอดแล้วมันก็สามารถกลับเข้ามาเอดูในใจได้ไวขึ้นนะคะเหมือนสติมันมีมากขึ้นแล้วก็ไม่ ไม่เดือดร้อนกับอะไรคือก่อนหน้านี้ก็จะไม่อยากไปไหนไม่อยากจะไปเจอผู้คนแต่ตอนนี้เหมือนกับเราอยู่เฉยๆแล้วก็มีสิ่งที่มากระทบเราก็จะไม่ไม่ให้ความสําคัญนะคะท่านพระอาจารย์แล้วเวลาที่มีอะไรที่มันเดือดร้อนจริงๆเราก็จะพูดแต่เราไม่ได้พูดด้วยอารมณ์เราพูดด้วยเหตุผลพูดเสร็จก็เสร็จแล้วอะไรที่ยอมได้ก็ยอมให้ได้ก็ให้อย่างนี้นะคะ่ะท่านพระอาจารย์ แต่มืกี้แต่เราก็จะเห็นกิเลสของคนรอบข้างมากขึ้นเช่นกันนะคะพอเราเห็นของเขาแล้วเราก็เริ่มคือเราอยากให้เขาเข้ามาปฏิบัติธรรมแต่ทุกคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองอย่างที่ท่านพระอาจารย์ว่าบางทีโยมคิดว่าทําไมระบบการศึกษาไทยนี่น่าจะให้ปฏิบัติธรรมก่อนสิบหกปีแล้วค่อยไปทํำงานจ ะ, จะได้จะได้เข้าใจลึกซึ้งว่าจริงๆแล้ว ไม่ต้องทํางานก็ได้ปฏิบับติธรรมให้หมดความสุขทางใจมันมันน่าจะมีมากกว่าเราค่อยออกมาทาํางานหาเงินเลี้ยงเลยงร่างกายทีหลังคนะ่ะมันก็ <laughs> เราก็แอบคิดอย่างนั้นว่าอย่างนี้เนี่ยคนน่าจะมีสินทมความสงบสุขมันน่าจะมีมากกว่านี้เยอะค่ะอาจารย <laughs> ์ก็คนสุขถูกความหลงดึงไปหมดเนี่ยหลงกับวัตถุความเจริญทำงนานวัตถุดึงไป แต่ถ้าเราไม่รู้เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในวัยกลางคนอย่างอย่างโยมอย่างเนี้ยค่ะ mm hmm. เราก็จะไม่เห็นว่าไอ้ที่ผ่านมาอะไรคือทุกข์อะไรคือ mm hmm. ความหลงอะไรคือความโลภอะไรคือความโกรธพอมาถึงจุดนี้ mm hmm. มันจะมีความชัดเจนมากขึ้นเวลาที่เราเข้าใจธรรมฟังธรรมะพอย้อนกลับมาดูตัวเราเองเราจะชัดเจนมากขึ้นว่า อ๋ออันนี้คือทางที่ถูกต้องมันก็คงเป็นประัลอย่างเนี้ยค่ะอืม mm hmm. แล้วเวลาที่โยมปฏิบัติธรรมโยมก็จะเห็นเวลานั่งสมาธิมันก็มันก็จะเห็นความเจ็บปวดพอเราเห็นความเจ็บปวดเราก็จะเริ่มมองด้วยความยินดีว่าออกมาแล้วหรอรอตั้งนาน mm hmm. มาสักทีหนึ่งพอเราพอมันสติมาตัดปุ๊บมันก็มันก็หยุดไปหมดนะคะท่านอาจารย์อ mm ืม hmm. แ ล, ur, แล้วในเวลาระหว่างระหว่างวันก็ sociedad, พยายามพิจารณาปัญญาฟังธรรมะแล้วก็มองทุกอย่างให้เป็นภะไตรลักษ์อะค่ะอืก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็เหมือนมันกลับเข้ามาดูตัวเองได้ไวขึ้นเรื่อยๆค่ะมันเปิดไปเรื่อยๆค่ะท่านพระอาจารย์บางทีก็ถูกกิเลสหลอกอะค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าโยมยังมีเวลาปฏิบัติได้แค่จํากัดได้แค่นี้อืกิเลสบางวันก็หลอกว่าไหนไหนมันก็ทําได้แค่นี้แล้วก็ก็ไม่ต้องปฏิบัติเยอะหรอก อ ร, อรอให้รอให้ลูกโตก่อนแล้วเราค่อยไปปฏิบัติทีเดียวแต่มันก็ถึงเวลามันก็ต้องมาทําอะค่ะถึงเวลามันก็ไม่ได้เราต้องทํานะยกเว้นเสียว่าวันไหนที่เหนื่อยมากๆแล้วร่างกายไม่พร้อมก็ก็ต้องพักะะอะค่ะอืมค่ะก็ไปตามเหตุผลก็แล้วกันค่ะท่านพระอาจารย์แต่ธรรมะของพระอาจารย์ก็อย่างที่ทุกๆุท่านว่าค่ะมันอยู่ในใจแล้วโยมคิดว่ามันไม่มีวันลืมอะคะ่ะพระอาจารย์ยังไงก็ทำ ได้มากที่สุดอ ะ, ค, ะดค่ะดีค่ะโอเคคต่อไป่ากลาบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆากเลยนะคะขอให้พระอาจารย์พัดแปงค่ะาสาธุนะคุณสุภาพรณ์เชิญคุณสุภา พ, ร, ภาพร์อยู่ที่ไหนค่ะพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะครัง้งแรกเลเข้ามานี่เข้ามาครั้งแรกค่ะพระอาจารย์อ ค่ะค่ะ อ, อยากจะกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะเ อ, อได้ได้ติดตามพระอาจารย์จากช่องทางของเฟซบุ๊กค่ะอยู่ๆวันหนึ่งเทปของพระอาจารย์เด้งขึ้นมาว่าอ อ, อยากเจอความสุขที่แท้จริงให้ทํำยังไงอย่างเนี้ยค่ะพอาจารย์ลูกก็ปฏิบัติตามลดความอยากลดความโลภอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็เริ่มฝึกนั่งสมาธิก็ปรากฏ ว, ว่านั่งแล้วจิต สงบดีนะคะพระอาจารย์ปฏิบัติมาได้แล้วหนึ่งปีค่ะพระอาจารย์แล้วเมื่อวันที่สิบเก้าสิงหามีโอกาสไปกราบพระอาจารย์ที่วัดด้วยเจ้าค่ะค่ะดีะแล้วเป็นยังไงผลการปฏิบัติจิตใจผลกาผลการปฏิบัติก็ดีมากค่ะพระอาจารย์ก็ครั้งแรกๆกที่ลูกนั่งได้ตั้งแต่ เข้าพรรษาปีที่แล้วปฏิบัติได้ประมาณสองเดือนแล้วปรากฏว่ามันมีอาภาพขึ้นสีม่วงๆขึ้นมาลูกก็เข้าถามในช่องอโซมอย่างเงี้ยหาที่พระอาจารย์แต่ว่าไม่ได้เข้ามาร่วมด้วยพระอาจารย์ก็บอกว่าจิตมันรวมลูกกเ็เลยได้หาพระอาจารย์ที่อยู่แถวจังหวัดขอนแก่นนะคะ<ม>ก็ได้ปฏิบตัติต่อจนถึงทุกวันนี้ จิตก็ดีขึ้นก่อนหน้านี้ลูกก็เป็นโรค sle ลงตายได้รักษาตัวเองมีความทุกข์กับโรคแล้วก็มีความทุกข์กับลูกที่กำลังเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ลุมเข้ามาทุกอย่างเลยแล้วลูกก็ได้มาปฏิบัติปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ใจก็แบบว่าปล่อยวางแล้วก็ใจดีขึ้นไม่ได้ไปคิดมากกับเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระอาจารย์มากเจ้าค่ะ เราขอบคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอ่าพระเจ้าค่ะอืมค่ะ<า>ไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราก็คงจะยากนั้อาศัยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมาสอนพวกเราเจ้าค่ะตอนนี้อยากจะกถาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าคือตั้งแต่ตอนแรกๆที่ลูกนั่งได้รู้สึกว่าอ่อมันน้ําตามันออกมาเองมันอยากจะร้องไห้คิดถึงพ่อแม่นึกถึงคุณพ่อแม่แล้วก็ ความสุขต่างๆที่ที่นั่งที่เวลาเข้าสมาธินะคะมันมันสุขมากสุขสุขมากๆแต่ช่วงปฏิบัติมาได้จะครบหนึ่งปีแล้วนะจคะสองเดือนที่ผ่านมามันรู้สึกเฉยแล้วก็เวลานั่งมีความรู้สึกว่าเออเราเราเร า, เราดูดูที่ที่ตัวเรารู้ว่าเราทาคือมันเหมือนได้สมาธิเยอะขึ้นในขณะที่ปฏิบัติ แต่ใจก็บางครั้งก็แวบไปคิดเรื่องอื่นบ้างอยู่แต่ก็รู้ว่าเออเราเราคือผู้รู้อย่างนี้นะคะเจ้าค่ะมันอย่างเงี้ยต้องปฏิบัติยังไงต่อเจ้าค่ะก็ให้รู้เฉยๆพยายามฝึกใจให้รู้เฉยๆให้วางเป็นอุเบกขาอย่าไปรักอย่าไปช้ำอย่าไปกลัวอย่าไปหลงกับอะไรเจ้าค่ะพระเจ้าบอกว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินอื ใครก็จะชมเราก็เฉยใครดา่ดาเราเราก็เฉยอย่าไปเดือดร้อนไปกับคำพูดของเขาเจ้าค่ะอ่าเพราะว่าทุกอย่างเป็นอนัตตารเราไป่ควบคุมบังคับเขาไม่ได้เจ้าค่ะอันนี้คือปัญญาเจ้าค่ ะ, ะเข้าใจไหมค่ะอะโลกร่างกายเรา ก, ก็ก็บังคับมันไม่ได้มันจะหายก็หายมันไม่หาย ก, ายก็ก็ต้องอยู่กับมันไป ใช่เจ้าค่ะในช่วงที่ลูกไม่สบายเวลาหมอนัดเจ้านัดไปพบที่โรงพยาบาลลูกก็จะนั่งสมาธิรอรู้สึกว่าแต่ก่อนนี่กระบวนกระวายต้องรอเมื่อไหร่จะถึงคิวแต่เดี๋ยวนี้นั่งรอแบบว่าใจดีมากเจ้าค่ะแล้วก็แป๊บเดียวนะเหมือนก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอนานเลยถ้าเราเข้าสมาธิได้ใช่เจ้าค่ะเมื่อเดือนก่อนก็เข้านอนโรงพยาบาลปรากฏว่าเวลาที่ ที่อยู่ในโรงพยาบาลลูกก็นอนก็เข้าสมาธิก็รู้สึกว่าคือคือมันมันไม่ได้แบบว่าไปคิดมากกับเรื่องของร่างกายตัวเองอย่างนี้นะ่ะเจ้าค่ะอืมดีมากนะดีเพราะมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟเจ้าค่ะอืมดีมากพยายามฝึกแทรกคิดทางปัญญาบ่อยๆสลับของการเข้าสมาธิทําทั้งสองอย่างสลับกัน หาลูกปฏิบัติทุกวันค่ะพระอาจารย์แล้วก็ฟังธรรมฟังเทศของพระอาจารย์ทุกวันเจ้าค่ะโอเคดีากเอาเท่านี้ก่อนนะเวลาก้าจะหมดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ ท, ที่คุณเกตบันเด็จคุณเิบันเด็จสองนาทีเป็นยังไงสบายดีนะ ล, ลูกชายยังไม่นอนเลยคนระับสบาย ยง่วงเลยครับตอนนี้เขาดีช่กนี้เิดเิมคับปเป็นตามนะรอคุณแม่เข้ามาอยู่ครับอ่าเด็กกลับนะครับคูดขอพรอาจารย์ก่อนกรับครับเกิดดีครับเริ่มง่วงเลยครับอาจารย์ยังไมกลับพระอาจารย์ลงกดเยอะกว่าไปอยู่ครับวันนี้ก็ไปมาอยู่ครับอาจารย์ก็ไปสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละครับ แล้วก็เหมือนได้ไปสวดมนต์แล้วก็ฟังคำด้วยครับไปที่อนุสาวรีย์กลับมาก็ได้มาปฏิบัติต่อครับครับก็สร้างท่านก็ดีเอ่อสุขภาพท่านก็ดีแต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับพระอาจารย์อ่าแต่ดีว่าท่านมีโครงการเยอะนะอ๋อใช่ครับเดี๋ยวท่านจะทําเมืองลิงครับพระอาจารย์เพราะว่าลิงที่ลบดีมันมันมันมันเริ่มฝูงใหญ่ครับพระอาจารย์เริ่มเริ่มแต่อยู่ใ้สร้างที่อยู่ให้มันอยู่ ได้ครับสร้างกำแพงใหญ่ๆแล้วก็เอาอาหารให้ไปแล้วก็ใครอยากจะทำทานกระลิงก็ได้ครับจะได้แบบไม่มากวนกันครับอาจารย์โอเคครับอ<พ> า, ทานทันทีก่อนนะนายครับน้ำตาลกุณญชิตไต้หวันคุณญชิตโ อ, อ้กาวน้ำมัสการครับอาจารย์เออเป็นยังไงสบายดีเหรอโอสบายดีครับวันนี้ก็ทำโอก็ออกโอกมา วันนั้นก็เข้าซูมกับป้าอาจารย์แต่อยู่ไม่ถึงครับนเนื้อร่างกายมันเหนื่อยลมวันนี้ก็เลยวันนี้เอาชนะความคิดตัวเองว่าจะนอนจะนอนแต่ต้องมากราบป้าอาจารย์ให้ได้ห ล, ลับกันกันเถ อ, 4, อะครับเกือบเกือบห้าทุ่มเกือบสี่ทุ่มห้หกทุ่แล้วครับอยู่ที่นี่ก็ห้าทุ่มสามสิบสองแล้วครับห้าทแล้วเร็วกว่าที่นี่ครั บ, รบเพื่อนเพื่อนเขาก็นอนกันหมดครับอ <Okay. S 1> แต่บา แถวไมได้ครับได้ทักทายกันแล้วนะเอกฟอนต์น้องครับไอาจานครับฟอนต์ไจานพลากันแขงแรงครับจอยพัทยายังไงจอยจบค่ะเกือบไม่ไหวเหมือนกันแต่อดทนค่ะจะง่วงเนาะแต่สู้อยู่ก็พรุ่งนี้หนูไปใส่บาทเหมือนเดิมค่ะพระค่ะค่ะโอเครั่นจะกี่บาสคะค่ะ ครับคุณจุ๊บจ้าคุณกราบนมัสการค่ะคืนนี้มีสองคำถามค่ะคําถามที่หนึ่งจากคุณดําเมืองชนนะคะกราบนมัสการถามถึงโลกกระทำแปดและช่วยชี้ทางขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้ทางในการอยู่กับโลกกระทำแปดโดยไม่ทุกข์ด้วยครับคือโลกกระทำแปดก็มันเป็นสี่กุ้งไงคือลาบยศดสนเสริญมีเจริญาบเสื่อมลาบเป็นธรรมดามีเจริญยอดเสื่อมยศเป็นธรรมดา มีสรรเสริญก็มีดินทาเป็นธรรมดามีสุขก็มีทุกข์เป็นธรรมดานี่คือสิ่งที่เรามาติดกันเราติดความเจริญของลาบยศสรเสริญสุขพอเราไปเจอความเสื่อมเราก็เลยทุกข์กันนี่เราต้องคอยเตือนใจเราสอนใจเราว่าลาบยศสรเสริญสุขนี้เป็นของไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อม เ, เป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดไปติดต้องพร้อมที่จะ ให้มันเสื่อมอ้อ ม, มที่จะอยู่กับความเสื่อมของลาบยศเสลเสริญศพแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ใจต่อไปคํำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะจะขอสามีไปบสถวัดป่าสี่วันถ้าให้เหตุผลว่าเป็นการอนุญาตการอนุญาตคือเป็นฐานที่ได้บุญมากจะถูกหรือผิดและจะเป็นการมุสาหรือไม่คะคือถ้าก็าอนุญาตเถอะพระคามมุโมทนา การอนุโมทนาบุญก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเวลาใครเขาอยากจะทําความดีแล้วเราส่งเสริมเขาอนุญาตไม่ขัดขวา ง, ขงเขาเนี่ก็เรียกว่าอนุโมทนาบุญเป็นหนึ่งในสิบบุญในบุญบุญญักิกีริยาสิบประการเนี่ยเป็นบุญบอกก็เป็นบุญการที่เราอนุโมทนาแล้วส่งเสริมแล้ว อ, อนุญาตคนที่เขาอยู่อยู่ภายใต้ได้การดูแลของเราแล้วเราอนุญาตเขาไปนี่แสดงว่าเราก็